นักบวชและเป็นนักปฏิบัติที่โลกให้นามว่าพระธุดงกรรมฐานและตัวเองก็ถึงพร้อมด้วยเจตนาที่จะบำเพ็นคุณงามความดีตั้งแต่พื้นพื้น จนกระทั่งถึงความหลุดพ้นจากทุกโดยประการทั้งปวงท่านเหล่านี้แลเป็นผู้เข้าถูกช่องถูกทางตามแถวทางเดินของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญและได้จรัสรู้มาตลอดถึงนำธรรมะ มาประกาศทมสอนโลกก็ทรงประกาศสอนในแนวทางที่ว่านี้คือการบำเพ็ญคุณงามความดีคุณงามความดีนั้นจะอยู่ที่ไหนอะไรจะเป็นเครื่องสัมผัสรบรบาบ รู้เห็นกับคุณงามความดีนั้นๆ น, น, นอกจากใจนี่เท่านั้นไม่มีสิ่งใดจะรับทราบได้ในบรรดาสิ่งสมมุติทั้งหลายในโลกนี้มีใจนีเท่านั้นเป็นผู้จะรับทราบและบำเพ็ญตนทั้งการละและการบำเพ็ญ นี่พวกเราทั้งหลายได้มาบวชในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ยอดเยี่ยมและได้มาประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางที่พระองค์ทรงสั่งสอนไวน้นี้นับว่าเป็นโอกาสและเป็นหน้าที่การงานที่เหมาะสมอย่างยิ่ง กับความเป็นนักบวชของเรา <c oughs> ถ้าไม่ลืมตัวไปเสียโดยอาศัยผ้าเหลืองที่โลกทั้งหลายเคารพ ก, กรบบาบไหา้บูชานี่มาเป็นประหนึ่งว่าดินเหนียวติด หัวแล้วก็ว่าตนก็ว่าตนมีหงอนเสียโดยที่ว่าตัวได้บวชเพียงเท่านี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างคอนึกว่าสมบูรณ์เต็มที่แล้วในวความเป็นพระของตนถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีทางที่จะก้าวเดินเพื่อความจเจริญรุ่งเรืองสมเจตนาที่หุ่งไว้แล้วนั้นเลย ผู้ตั้งใจเพื่อความหลุดพ้นจริงๆก็พึงคำนึงถึงทางดำเนินของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นคติตัวอย่างอันดีเยี่ยมมาแล้ว <c oughs> ทั้งที่พระองค์เป็นกษัตริย์คำว่าเป็นกษัตริย์โลกทั้งหลายกา็ทราบทั่วถึงกันแล้วว่าเป็นบุคคลประเภทใด แต่บูดถึงความมีคุณค่ามีราคาความิีหน่ายินยออันนเสริญก็อยู่ในความเป็นปะมหาขัริย์แต่วเวลาพระองค์เสด็จออกทรงผนวดนั้นไม่ได้ทรงเสด็จคือนไม่ได้เสด็จไปตามที่โลกคิดโลกเข้าใจกัน ว่าเสด็จออกทรงพนวดอย่างมีหน้ามีตามีคนพะรุกเหลืองใสหรือว่าได้รับการแห่แหนออกไปแต่พระองค์ทรงเสด็จไปแบบหาคุณค่าไม่ได้ทราบพระองค์จากความเป็นกษัตริย์และความมีคุณค่าทุกแง่ทุกมุมออกไปโดยประหนึ่งว่าเป็นผ้าที่ริ้ว เป็นคนอนาถาสัลักความสำคัญที่ว่ามีคุณค่ามีราคามีความเป็นพระมหากษัตริย์เป็นต้นออกจากพระไทยและกิริยาแห่งความเคลื่อนไหวทุกแง่ทุกมุมเสียหมดเหลือเพียงว่าเป็นบุคคลคนหนึ่งเท่านั้นค <c oughs> ำว่าสิตถาคตากุ ม, มาร น, <c oughs> น, นั้นก็เป็นพระนาม ของกษัตริย์ของวงกษัตริย์พระองค์ไม่นะ้นำมาเกี่ยวข้องเลยสเสด็จออกเพื่อบัรเทาพระองค์ในจัดสรู้เป็นพระพุทธเจา้าซึ่งมีคุณค่าเหนือโลกเหนือสงสารมีพระไทยมุ่ง <c oughs> หมายต่อ <c oughs> ทำดวงนั้นโดยถ่ายเดียวพระฉะ้นั้นจึงทรงสละ ได้ทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาที่โลกรักและสงวนกันการเสด็จออกทรงพระนวนเราก็ไม่เคยได้ยินว่าพระองค์ได้ประทับอยู่ในหอปราสาทราชจมณีเกืียนที่ไหนเหมือนกับกลุ่มกบินภัตก็ปรอยู่ตามประเภทแห่งคนอนาถาเพื่อบำเพ็ญคุณงามความดี สลักพิธิมาณนะทุกแง่ทุกมุมเพื่ออเพื่อทำนี่เท่านั้นเพราะฉะนั้นการประทับอยู่ของพระองค์จึงสะดวกสบายหายกังวลอาหารการบิณฑบาต ท, ที่เรียกว่าเครื่องเสวยซึ่งเคยเสวย <c oughs> ในนามหรือในความเป็นพระราชาก็สละเสียสิ้นเหลือแต่ คนอนาถาขอทานเขามาสวยเท่านั้นพระองค์ก็สบายนีเพราะการละสิ่งที่เข้าใจว่ามีคุณค่าเหล่านั้นแต่มาเป็นอุปสรรคในหัวงใจนี้ออกเสียเหลือตั้งแต่ <c oughs> ทำอันเลิศที่พระองค์ทรงมุ่งหวังซึ่งไม่ขัดกับสิ่งใดในโลก ไม่เป็นอุปสรรคอะไรเลยนี่มีเหลือนี่เท่านั้นแล้วทรงบำเพ็ญวิธีใดที่จะิทรงคิดว่าจะเป็นไปเพื่อความจัดสรูปตามพระประสงค์ก็ทรงบำเพ็ญขนาดที่สละเป็นสระตายถ้าเป็นภาษาของเราไั่เห็นแต่ความยากความลําบากเหนือสิ่งที่พระองค์มุ่งหวัง คือพานุตระสัมมาสัมพูทิยานั่นเลยทรงบำเพ็ญเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนกระทั่งเห็นว่าไม่ใช่ทางแล้วจึงทรงลดละและสะรุปความทร ง, งย้อนหลังมาพิาจารณาถึงเรื่องอนาปานสติซึ่งเคยได้แสดงให้ฟังหลายครั้งหลายหนแล้วจึงทรงบำเพ็ญ <c oughs> ทาด้วยอนาปานสติทรงระลึกกำหนดลมหายใจเข้าออก แล้วสละพระองค์ในสถานที่นั้นด้วยทั้งความเป็นพระพุทธเจ้าก็จะให้เป็นในสถานที่นี้หากม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาสากป่าช้าก็คือสถานที่แห่งเดียวกันนี้ไม่ทรงคิดจะโยกย้ายไปที่ไหนเปลี่ยนแปลงไปอย่างละอีกนี่เป็นวารคสุดท้ายที่พระองค์ทรงปรองพระไทยลงไป เพื่อความตัดสรู้แล้วก็ได้จัดสรู้อย่างสมพระไถยในคืนวันเดือนหกเพนธัม <c oughs> ท, ที่พระองค์ทรงรู้ทรงเห็นและวิธีการดำเนินของพระองค์อันเป็นแนวทางหรือเป็นต้นเหตุให้จัดสรู้นั้นไม่ปรากฏว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดได้เคยบาเพ็ญมาก่อนและเป็นครูอาจารย์สอนมาก่อนเลย ไม่ว่าจะสอนผู้หนึ่งผู้ใดหรือสอนพระองค์เองก็ไม่เคยปรากฏเป็นเรื่องของสยามภูทรงควนฝ่ายโดยลาพังพระองค์เองเวลารู้ก็รู้ขึ้นมาโดยลำพังพระองค์เองเช่นเดียวกันธรรมที่รู้ขึ้นมาในคืนวันตรัสรูุนั้นเป็นธรรมที่ประเสริฐเลิศโลก เหนือโลกเหนือสงสารเป็นโลกุตรธรรมอันสุดยอดแห่งธรรมทั้งหลายได้เกวิมุตตพุทโธขึ้นมาเมื่อได้ปรากฏในพระทัยแล้วอุบายวิธีการต่างๆที่จะทรงแนะนำสั่งสอนโลกเพราะความเมตตาสงสารนั้น ปรากฏขึ้นกับสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นเพราะการทรงรู้ทรงเห็นนั้นเห็นทั้งโทษเห็นทั้งคุณเห็นทั้งหัวใจสัตว์โลกกรรมของสัตว์โลกเห็นทั้งพระไทยของพระองค์และกรรมของพระองค์ที่เคยเป็นมาอย่างไรอย่างถึงพระไทเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าจึง ท่วมเทลงด้วยพระเมตตาอยากจะให้สัตว์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากความทุกข์ความทรมานหรือมหันตทุกเหล่านั้นจริงๆและให้ถึงซึ่งความสุขนับแต่ความสุขอันพื้นๆขึน้นไปซึ่งดีกว่าที่ไปจมในนรกเป็นไหนๆตลอดความสุขสุดยอดได้แก่ความหลุดพ้นไปเสียโดยไถ่เดียว เมื่อทรงแงนะนาสั่งสอนเต็นทรงสั่งสอนด้วยความถึงพระไทยเพราะอํานาจแห่งความเมตตานี้มีกำลังมากเนื่องจา ก, เ, กเหตุสองประการนั้นเป็นเครื่องกระตุ้นหรือเป็นเครื่องประจักษ์พระไท่คือแดนแห่งสัตว์โลกที่รับความทุกข์ความทรมานนี้มีรอบ ในสามแดนโล ก, กธาตุไม่มีจุดใดแดนใดสถานที่ใดที่สัตว์โลกทั้งหลายจะได้รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยไปตามอำนาจแห่งกรรมของตนส่วนความสุขก็มีเจือยปนกันไปแต่ความทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่เด่นเอามากสำหรับสัตว์โลกซึ่งต้องจมอยู่ เป็นจำนวนมากยิ่ยงกว่าผู้ที่รับความสุขความสบายเพราะอานาจแห่งกรรมดีของตนเมื่อพระองค์ทรงเห็นความทุกข์ความทรมานในเหตุการณ์เหล่านี้และทรงรู้ทรงเห็นประจักษ์ในปไทัยที่เลิศเลยหรือถ้าว่าถึงความสุขแล้วก็ลบล้างได้หมด บรรดาความทุกขทั้งหลายที่เป็นเหล่านั้นเมื่อก้าวเข้าสู่สถานที่นี้คือความบริสุทธิ์ผู้โถนี้แล้วยิ่งสรงแนะนำสั่งสอนเต็มพระไทยเพราะอานาจแห่งความเมตตาธรรมที่นำมาสั่งสอนโลกนี้ไม่ใช่ธรรมธรรมดาธรรมของท่านผู้บริสุทธิ์ด้วยธรรมของท่านผู้มีเมตตาอย่างแรงกล้าไม่มีใครเสมอเหมือนด้วย สอนสั์โลกตามขั้นตามภูมิแห่งอุปนิสัยของตนผู้ที่ควรจะหลุดพ้นไปได้อย่างรวดเร็วก็รีบถุดรีบลากกระชากดึงให้หลุดให้พ้นไปเสียในขณะนี้ขณะนี้ผู้ที่ควรขยับขยายลึกลื่นชั้นขึ้นมาด้วยพระกำลังแห่งความสามารถที่สูงแสดง อุบายต่างๆให้รู้ให้เห็นให้ก้าเดินขึ้นมาพระองค์ก็ทรงแนะนำสั่งสอนเรื่อยมาตั้งแต่วันตรัสรูไม่เคยลดหย่อนพ่อนความเมตตานั่นลงเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งวันปริณิพานนี่รมเหล่านี้เป็นธรรมที่กระเทือนโลกมานานเฉพาะพระพุทธเจ้าของเราก็ได้สองพันห้าร้อยกว่าปีนี่แล้ว เป็นธรรมที่ตลุกสัตว์โลกให้ตื่นจากความทุกข์ความทรมานอันมีโมหะธรรมเป็นสําคัญที่ทําให้รุ่งโล่งุ่มหลงล่มจมไม่รู้สึกเนื้อสึกตัวให้ได้รู้สึกเนื้อสึกตัวและประพฤติปฏิบัติตนให้หลุดพ้นจาก <c oughs> วงแห่งวัฏจักรซึ่งก็คือวนวงแห่งวัฏทุกข์ของสัตว์โลกนั่นแหละ เพราะจิตแต่ละดวงละดวงถูกร้อยไว้แล้วด้วยกิเลสอาสวะมีอวิชาเป็นสำคัญแล้วกิ่งก้านสาขาดอกไปก็แตกกระจายไปเป็นความทุกข์ความลำบากไม่ว่าจะเกิดในภพใดแดนใดเพราะอำนาจแห่งกิเลสนี้มีความดุนแรง ที่จะต้องชุดลากให้สัตว์โลกได้ทำบาปทำกัรมากยิ่งกว่าจะทำบุญนี้เป็นไห น, ไหนเหมื่อเป็นเช่นนั้นสัตว์โลกไม่ว่าจะอยู่ในทิศใดแดนใดเพยียงแต่มนุษย์เรานี้เราก็เห็นประจับ ก, กับตาแล้วถ้ายังไม่เห็นก็ให้ดูหวัวใจของเราเองว่าวันหนึ่งวันหนึ่งมีความสุขความสบายแค่ไหนและมีความทุกข์มากน้อยเพียงไร มีสิ่งลุแยก่อควนให้เกิดความกระเพื่อมขุนมัวมากน้อยเพียงไรในหัวใจของเราแต่ละรายละลายตลอดถึงร่างกายที่หมุนติ้วอยู่กับหน้าที่การงานนั้นมีมากมีน้อยเพียงไรไม่ว่าร่างใดไม่ว่าจิต ด, ดวงใดย่อมเป็นเช่นนี้เหมือนกันหมด เยียงมนุษย์เท่านั้นเราก็พอทราบได้แล้วกระจายกระจายออกไปหาสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกดินแดนนี้ก็เป็นจิตที่ถูกร้อยไว้แล้วด้วยอำนาจของกิเลสอาสวะประเภทต่างๆมีอวิชชาเป็นต้นที่ร้อยรัดให้แน่นหนามั่นคงที่สุดในหัวใจของคนมีกิเลสทุกดวงเมื่อร้อยไว้แล้วเช่นนั้น ความทุกข์ก็ต้องป้อนเข้าไปแทรกเข้าไปแซงเข้าไปมากน้อยแทรกแซงกันอยู่อย่างนั้นเสริมกันอยู่อย่างนั้นเหยียบย่ําทําลายกันอยู่อย่างนั้นแล้วจะหาความสุขความเจริญหรือความสะดวกสบายมาจากที่ไหนในโลกอันนี้เพราะเป็นโลกแห่งตืนแห่งไฟที่เรียกว่าราคิคินาโทสักคินาโมหคินาสุมอยู่ภายในจิตใจจะหาความร่มเย็งเป็นสุขมาจากที่ไหน ยอมหาไม่ได้นี่แหละการที่ทรงเห็นเรื่องราวของสัตว์ทั้งหลายกระจายทั่วโลกดินแดนนี่แห่งวิญญาณแต่ละดวงละดวงมีมากมายเพียงไรนี่เลยเป็นเหตุให้พระองค์ทรงพระเมตตาสงสารเอาอย่างมากมายในเรานักปฏิบัติก็กรุณาย้อนเข้ามาสู่จิตใจของเรา ว่าเป็นเช่นเดียวกับโลกทั่วๆไปหากไม่มีธรรมเป็นเครื่องยับยัง้งไม่มีธรรมเป็นเบรกห้ามล้อไม่มีธรรมเป็นเครื่องตัดทอนภกชาติที่เคยหมุนมาแล้วจานวนมากมายนั้นลื้นนานแสนนานขนาดใดให้ย่นเข้ามาในอนาคตอย่าให้ได้มากมายเหมือนดำที่เป็นมาแล้วนี่เลยด้วยการประพฤติปฏิบัติ คำจัดมันเสียนตั้งแต่บัดนี้ในวงนักบวชและปฏิบัติของเราไม่ควรจะนอนใจ <c oughs> ทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมสุดยอดในการฉุดการากถ้าเป็นยาก็เป็นยาโอสุอันเยี่ยมจึงเรียกว่าพุทธโอสถธรรมโอสถสังฆโอสถเยี่ยมทุกประเภทแห่งยาเหล่านี้ ที่จะชูจะลากเราให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับเฉพาะการปฏิบัติจิตตภาวนานี้เป็นทางสายลากสายตรงแน่วแน่ต่อทางพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวถ้าได้รับการอบรมสั่งสอนหรือได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์เป็นที่ถูกต้องแน่นอนแล้วตัวเองนำมาประพฤติปฏิบัติก็ให้ดำเนินตามแนวแถวที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วด้วยเจตนา ที่มุ่งหวังต่อแดนแห่งความพ้นทุกข์ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมกําลังให้มากขึ้นทุกทีทุกทีเถิดความดุดพ้นจากทุกขนั้นจะหดย่นเข้ามาย่านเข้ามาจนถึงหัวใจของเราเป็นใจที่ดูดพ้นจากทุกข์ได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยเพราะอํานาจแห่งธรรมเหล่า น, นี้เป็นเครื่องดําเนินเพื่อความ แค่คร่าปลอดภัยไปโดยลำดับอยู่แล้วจงกระทั่งถิงมุดหลุดพ้นไม่นอกเหนือจากธรรมของพระพุทธเจ้านี้เลยถ้าเราไม่ประมาท <c oughs> เห็นแดนนรกคือความเกิดแจ็เก็บตายซึ่งเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานนี่ว่าเป็นสิ่งที่เลื่อเรือเสียอย่างเดียวเท่านั้นจะมีทางหลุดพ้นไปได้ไม่สงสัยเพราะจิตดวงนี้เป็น เพิยืนยันแล้วว่าคือตัวพาให้เกิดให้ตายคือจิตแท้ๆนั้นไม่ตายไม่มีตายแต่อำอำนาจของกิเลสที่แทรกอยู่ในจิตนั่นเองมันพาให้เข้าร่างนั้นให้เข้าร่างนี้นั่นที่เรียกว่าเกิดว่าตายเกิดตายเกิดตายเข้าร่างไหนถ้าเป็นร่างอยู่เฉยๆแข็งชั่วแต่มันไม่ใช่ตุ ก, กตาเมื่อจิตเข้าไปแทรกอยู่นั้นจิตเต็มไปด้วย กรรมเป็นไปด้วยเต็มไปด้วยวิบากแห่งกรรมจะไม่แสดงตัวออกในทางดีทางชั่วทางสุขทางทุกข์ได้อย่างไรต้องแสดงอย่างเต็มเหนี่ยวที่มีกรรมอยู่ในหัวใจนั้นมากน้อยไม่น่รูปใดร่างใดก็ตามถ้ามีกรรมชั่วอยู่มากมายขนาดไหนจะต้องแสดงให้เต็มที่ถึงขั้นมหันต์ตัดถุกจนป่ากรรมนี้จะอ่อน ตัวลงไปตามกฎของอ น, นิจจังและหมดสิ้นไปนั่นแหละยังจะหมดความทุกข์ความทรมานหรือมหันตทุกข์ในกรรมอันนั้นหรือในภพนั้นแล้วเปลี่ยนภพใหม่ขึ้นมาก็เป็นภพที่เต็นไปด้วยกรรมเป็นเต็มโด้วยิบกแห่งกรรมอีกเช่นเดียวกันเวลาไหนสัตว์ที่ว่างจากการสวยกรรมไม่มีเพะกิเลสซึ่งเป็นเชื้ออยู่ภายใน มันตังจมอยู่นั้นจะทำให้ทำบาป ท, ทำกรรมให้เดลับเสเวย <c oughs> ความทุกข์ความทรมานอยู่ตลอดมาและยังจะตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุดยุติได้เลยถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องตัดทอนหรือเป็นเครื่องตัดปันขาดสะบั้นลงเสียเท่านั้นนี่ให้พากันเข้าใจเอาไว้ว่า ทุกทกทั้งหลายด้วยความเกิดความตายของสัตว์ไม่ว่าของท่านของเราของใครก็าตามมันเป็นเหมือนกันนี่หมดเป็นสจสดรนร้อ น, อ น, อนไม่มีคําว่าช้าลาข้ามข้าไม่มีคําว่าจะยุติสิ้นสุดแห่งการเกิดการตายต่อไปอีกแล้วเพราะหมดกําลังแห่งวัตจักรที่ทํางานสิ้นสุดยุติลงไปแล้วอย่างนี้ไม่มีนอกจากจะสิ้นสุดยุติ ด, ด้วยอำนาจแห่งความดีทั้งหลายเข้า าฟาดันหั่นแหลกหรือตัดทอนกันลงไปเท่านั้นยางอื่นไม่มีที่จะให้วัตจิตวัตจักรคือกิเลสที่ฝังอยู่ภายในจิตนี้พาให้ก้าวเดินไปสู่พจนั้นพจนี้แล้วมีกำลังน้อยถอยลงไปจนกระทั่งหมดกำลังแล้วตายเช่นเดียวกับสัตว์ทั้งหลายนี้ไม่มีคำว่ากิเลสตายนอกจากจะสังสมตัวเองไปดังที่เคยเป็นมาแล้วนี้ และจะเป็นไปตลอดการในไหนไม่มีคำที่ว่าสิ้นสุดยุติเลยนี่เรื่องพระพุทธเจ้าจึงเป็นของจําเป็นอย่างมากเรมาตรัสรู้นี้เราก็อยู่ในถ้ำกลางแห่งความตรัสรู้แห่งศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนใครก็สอนพวกเราให้ประพฤติปฏิบัติตัวตามแนวทางนิถ์ปหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าทรงชุดทรงลากอยู่ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง จากทำทั้งหลายที่ประทานไม่แล้วนี้ไม่เป็นอื่นจึงเรียกว่าสวกขาตธรรม ท, ที่จาดไว้ชอบแล้วว่าพวกเราทั้งหลายไม่ตั้งใจประพืชปฏิบัติในเวลานี้จะไม่มีหวังเราอยากเข้าใจว่าการเวลานั้นจะเป็นเครื่องรับประกันเราในชีวิตจิตใจสกลกายและโภพชาติของเราในการต่อไปจะต้องเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดไปไม่มีทาง นอกจากเรารีบเสียตั้งแต่บัดนี้บัดนี้ด้วยความไม่ประมาทการบาเพ็ญภาวนาก็เคยได้แนะนาสั่งสอนมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนนี่ที่เกี่ยวข้องกับสังคมพระเรานับตั้งแต่วันพ่อแม่ครูอาจารย์มาย้ายหน้าภาพไปแล้วก็เป็นสี่สิบปีนี่พอดีสำหรับมูเพื่อนมาเกี่ยวข้องกับผม ผมก็โดยแนะนําสั่งสอนเต็มทัศน์ทีลังความสามารถไม่มีอะไรลี้ลับหรือยังเหลืออยู่เลยภายในใจนี้แม้แต่น้อยได้ทุ่มลงเต็มทัศน์กำลังความสามารถท่านผู้ใดจะนําไปประพฤติปฏิบัติก็ขอให้นำไปปฏิบัติให้ถึงใจแล้วจะถึงทำทำนี้สดสดร้อนร้อนเช่นเดียวกับวิเลตที่สดสดร้อนร้อนอยู่ภายในใจิตใจของเรา คิดไปทางกิเลสก็เกิดขึ้นมาทันทีภายในใจคิดไปทางด้านธรรมก็เกิดขึ้นธรรมก็เกิดขึ้นทันทีภายใน ใ, นใจที่เรียกว่าสุด ร, ร้อนเหมือนกันทั้งธรรมทั้งกิเลสดูภายในใจของเหล่านี้แหละไม่ไปอยู่ที่ไหนอย่าไปคิดให้เสียเวลาเวลาให้กิเลสมันกล่อมไปเรื่อยๆจนกระทั่งตายใจแล้วล่มจมไปตามมันว่ามรรคผลนิพพาน หมดเขตหมดสมัยแล้วพระพุทธเจ้านิพพานแล้วมรรผลนิพพานไม่มีนี่เป็นเรื่องของกิเลสถ้าเป็นคนมาพูดก็เป็นคนที่ครังกิเลสมาพูดตัวเองไม่เคยได้บำเพ็ญคุณงามความดีมีการภาวนาเป็นต้นแม้แต่น้อยเลยแต่แล้วก็มาพูดด้วยลมปากที่โศกระโตกโสมม โดนเข้าหูใดหัวใจดงใดก็กลายเป็นหัวใจโสกปลกูโกโสมมงประามตามตามกันเชื่อตามกันจมประจําตามกันเลยไม่มีชิ้นดีอย่างไรเลยหลักธรรใครจะเกินพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยความบริสุทธิ์ความฉลาดแหลมคมทั้งปัจจุบันทั้งอดีตอนาคตใครจะครบเคทัองเหมือนพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ทรงเห็นและทรงสั่งสอนจักโลก ทรงสอนด้วยความรู้ความเห็นความจริงจริงณนะธรรมนี้เคยได้รือขนสัตว์ทั้งหลายให้ดุพ้นจากทุกมามากต่อมากแล้วนานแสนนานแล้วผู้นำมาพื้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามแนวทางเหตุใดกิเลส จ, จะไม่หลุดลอยออกไปจากหัวใจต้องหลุดลอยไม่มีสิ่งใดเหลือภายในใจเช่นเดียวกับพระพุทธเ จ, เจ้าที่ยังทรงระชนอยู่นั่นแหละขอให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามแนวทางนั้นเถิดจะไม่ไปอื่น นี่เป็นหมักสําคัญของศาสนธรรมพากันตั้งอกตั้งใจวันคืนเดือน ป, ปีล่วงไปล่วงไปเรื่องโรคเรื่องสายกับอย่างที่เราเห็นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมด้ยินไะหเดี๋ยนี่มันมีความสงบนุ่งเนี่ยเมื่อไหร่นั่นหลักกิเลสพาให้เป็นแล้ววันไหนมันจะชราขํามค่าพอให้เราได้สะดวกสบายบาเพ็นกุนงานความดีทางตา ก, ก็โดนทางหูก็โดนจมูกลิ้นกายโดนแต่สิ่งเหล่านี้เพราะมันมีอยู่กับตัวของจัดของบุคคล แล้วสัตบุคคล น, นี้เท่านั้นเป็นผู้ชอบในสิ่งเหล่านี้เป็นผู้ขวนขวายเป็นผู้หามาเป็นผู้เสียบสารปั้นแต่งขึ้นมาแล้วก็มาเผาตัวเองเผาตัวเองอยู่ดังทีเเ่เห็นกันอยู่นี้แล้ธรรมพระพุทธเจ้าก็หาทางเดินไม่ได้เพราะมีแต่สิ่งเหล่านี้สกัดลัดกั้นไว้หมดทางตาก็ปิดเข้ามาหูจมูกที่กายปิดเข้ามาปัญญามีก็เป็นปัญญาของกิเลสจะพาเบิกทางเข้าสู่นรกเอเวจี ล่มจมไปเสียหมดไม่มีสติป kind of mm ัญญาที่จะเบิกทางเพื่อเข้าสู่มรรคผลิพานหรือความหลุดพ้นนั่นเลยหัวกิเยสมันม <Hayır. S 3> ีมากๆแล้วเป็นอย่างนี้แล้วเป็นอย่างไรในหัวใจของเราเวลานี้กิเลสประเภทที่อยากรู้อยากเห็นอยากดูอยากชมเหมือนโลกโลกนั้นมันมีไหมในหัวใจอยางนี้ถ้ามีก็แสดงว่าเราไม่ผิดอะไรกับโลกเขา ถ้าผิดก็ผิดแต่ผ้าเหลืองผ้าเหลืองที่ไหนก็มีหาเอาได้ทั้งนั้นไม่สำคัญยิ่งกว่าทำไาในใจของเราที่บำเพ็ญให้ได้ให้ถึงภายในตัวเองและเป็นสมบัติของตัวเองให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติฮีอ่อนลงทุกวันทุกวันการแนะนำจั้งสอนหมู่เพื่อนรู้สึกว่าหดเข้ามาย่นเข้ามาแต่ก่อนผมก็ไม่เคยพูด เวลานี้มันรู้อยู่ภายในจิตใจว่ามีใครรู้ยิ่งกว่าเรารู้เราเพราะความรับผิดชอบกันตลอดมาเป็นอย่างไรก็เล่าให้หมู่เพื่อนฟังการเล่านี้ไมไ่เล่าเพื่ออะไรเล่าเพื่อให้ไม่ประมาทเหมือนกับว่าการตวนอยู่เสมออย่านอนใจอย่าประมาทครูบาอาจารย์เป็นสิ่งที่พัดพากพัดพลา ก, ก, กจากไปได้แม้แต่พุญเจ้ายัางปริญญาผานและสาวกอรหันมีจานว น, นมากขนาดไหนแต่ ของพระพุทธเจ้าแต่รับพระองค์ผูกและเป็นยังไงท่านคนนี้ผ่านร่วงรรยไปหมดเพราะร่างกายนี้เป็นสมมุติทําไมจะไม่มีกฎอนันจังทุกขังร่างกาเป็นเพื่องเหยียบย่ทำทําลายเราและตัวของเราเองก็อยู่ในกฎอันเดียวกันจะมีอะไรเป็นอย่างอื่นที่พิเศษจากนั้นนี่แหละเป็นของสําคัญขอใพากันตั้งอกตั้งใจฟื้ปฏิบัติ <c oughs> ให้มันเห็นในจิตของเรา ให้เจ้าใจของเราได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เราจะเอาสินใดมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในโลกอันนี้ดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเองไม่มีมีแต่สิ่งที่จะพังมีแต่สิ่งที่จะจมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกฎอนิจจังพึ่งไม่ได้มีแต่จะแตกจะฉลายจะทำลายเนื่อใจนี้ไม่ตายก็ไปเกาะสิ่งนั้นก็พาพังสิ่งนี้พาพังน่นแหะที่ว่าเกิดว่าตายเพราะสิ่งนั้นพาให้พัง ตัวจิตเองไม่พังไม่คิดหายแต่สิ่งที่จิตเข้าไปเกาะเกี่ยวนั้นมันพังมันมันเป็นไปได้นั่นแหละมันจึงเปลี่ยนแปลง ไ, ไปอยู่เสนอยิ่งไม่ให้นอนใจให้ต่างใจประพฤติปฏิบัติในธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นสิ่งที่จะกีรังถาวรต่อไปจนกระทั่งถึงความเที่ยงแท้แน่นอนคือจิตที่เบริสุดธรรมที่บื่สุดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับหัวใจแล้วนั้นอ น, นิจจังทุกข์ขนธ์ตาเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้นี่แหละพระพุทธเจ้าและสาวกท่าน ท่านบำเพ็ญถึงทำขั้นนี้จึงเรียกโลกุตรธร ร, รมทำทั้งสิ่งทั้งหลายมีโกฎอนิจจังทุกขังอากาบีบบังคับไว้หมดอยู่ในกรอบแห่งอนิจจังทุกขังนาตาแต่แล้วโลกุตรธรรมขั้นวิสุทธิธรรมนี้นอกเหนือไปจากกรอบอันนี้แล้วจึงไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนั่นแหละท่านว่ายิพทานเที่ยงเที่ยงตรงนั้นก็คือจิตที่บริสุทธิ์นั่นเองเที่ยงจะเป็นอะไรไปเราผู้เคยแปลปว น, นนั่นแหละกลับกลายเป็นความเที่ยงขึ้นมา ด้วยมีแต่จิตล้นลวนเนี่ยอันสําคัญอยู่ที่ตรงนี้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาพิจารณาปฏิบัติอยู่ที่ไหนอย่ามีอยากอยากเผยสติอย่ า, ยาลืมเนื้อดืนตัวกับสิ่งใดในโลกสิ่งที่เคยสัมผัสสัมพันธ์ยุนี้เคยมาจากักเทายปัจจุบันก็สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่แล้วตื่นหาอะไรลูกเสียงกินรดเครื่องสัมผัสไม่ใช่เป็นของใหม่ของเก่าทั้งนั้นของเคยสัมผัสสัมพันธ์และเคยให้ทุกมาแล้วด้วยความรุ่มหลงของเรา ตื่นหาอะไรทำเป็นเครื่องปลุกให้ตื่นตื่นซิตื่นด้วยสติตื่นด้วยปัญญาหาอุบายสุกทรมานตนหลายวิธีหลายด้านหลายทางเราจะทำแั่แง่เดียวมุมเดียวกิเลสมันน้อยสันผันขงไม่ทันต้องเลยใช้อุบายหลายวิธีการเพื่อให้จิตอย่างน้อยสงบก็ยังสบายคนเราจิตสงบ สงบมากน้อยเป็นความสบายตื่นเต้นภายในใจของอยู่ที่ไหนก็สบายสบายนี่เห็นประจักษ์เพียงจิตสงบเท่านั้นก็เห็นประจักษ์แล้วว่าความสบายเป็นอย่างไรบ้างแล้วจิตก็ได้ที่เกาะคือเกาะในสมาธิธรทำคือจิตสงบก็สบายอยู่นั่นนะ่ะเพียงเท่านี้ก็ได้ที่เกาะแล้วที่เกาะนี่เย็นนับกระจายจิตทั้งตนออกไป นั่งที่ท่านสอนไว้ว่าทางด้านปัญญาปิณิตพิพจารณากฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มในในร่างกายของเราเนี่ยเราไปเยี่ยมป่าช้าภายนอกไปเห็นป่าช้าภายนอกขยะขยะน่า ก, กุศลตื่นเต้นตกใจแล้วป่าช้าภายในคือร่างกายของเราที่ครอบหัวใจของเราอยู่เวลานี้ทําไมไม่ดูทําไมไม่ตื่นนี่แหละป่าช้านี่เป็นสําคัญมากไปตื่นในป่าช้าภายนอก จิองเราอยู่ภายในร่างกายนี้ก็อยู่ในป่าช้าผีดิบนี่พิจารณาให้มันเห็นชัดเจนเช่นเดียวกับป่าช้าภายนอกมันจะได้ปล่อยด้วยวางภาระความกังวลวุ่นวายความยึดความถือซึ่งเป็นเรื่องกองทุกข์ทั้งนั้นออกไปโดยลําดับดําดา ใ, ใจของเรามันสว่างเจ้าออกมาถ้ามันได้ปล่อยสิ่งนี้พิจารณาสิ่งนี้ชัดเจนแล้วใจจะเริ่มสว่างเจ้าออกมาเรื่อยๆด้วยเลยนี่ปัญญาท่น่าปัญญาเป็นอย่างนี้เอง พิจารณาคลี่คลายในสิ่งที่อยู่กับตัวของเรานี่แหละร่างกายนี้อยู่กับตัวของเราพิจารณาขยายออกไปไปยังไงกฎอนิจจังแปลมาตั้งแต่วันเกิดถึงขนาดนี้เป็นยังไงแล้วความทุกข์มีมาตั้งแต่วันเกิดเช่นเดียวกันกับวันนี้จนกระทั่งถึงวันตายความทุกข์ในขันกับจิบนี้จะต้องสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆเกี่ยวพันกันไปเรื่อย อนัตตาไม่ใช่ของใครทางนั้นตั้งแต่วันเกิดมาตายไปแล้วก็ไม่ใช่ของใครเราถือห้าอะไรพิจารณาไปคือเนื้อ ป, ปัญญาพิจารณาเนี้ยแกะกันเมื่อกิจเห็นตามเป็นจริงไปเทีเยบกันน้อยย่อมปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นก็เท่ากับปล่อยวางภาระอันหนักซึ่งเป็นกองทุกขออกได้โดยลำดับลําดานั่นเองนี่เรียกว่าปัญญาพิจารณาอย่างนี้เมื่อพิจารณานี่เราขอสรุปความมาเลยเมื่อพิจารณา ไม่หยุดไม่ถอยความสว่างความเห็นแจ้งชัดเจนในสิ่งทั้งหลายนี้จะค่อยละเอียดตัวเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจิตละเอียดเข้าไปเพราะสิ่งแวดล้อมอยู่ภายใน จ, จิตใจนั้นเป็นสมมุติเมื่อพิจารณาสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นการขัดหัวใจแล้วย่อมมีความสว่างกระจ่างแจ้งไปโดยลำหนักลำหนะักจนกระทั่งหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายใน จ, จิตใจแล้วเป็นอย่างไรจิตจีตตรงนั้นเหมือนอะไรใหม่ อยู่ในโลกนี้แหละเหมือนโลกใดบ้างเหมือนสิ่งใดบ้างในโลกนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าทรงรู้ในสิ่งที่โลกไม่รู้เห็นในสิ่งที่โลกไม่เห็นเนี่ยแล้วขมาบรมมาสุขกสุขในสิ่งที่โลกไม่สุขพระพุทธเจ้าและสาวกท่านสุกท่านประเสริฐในโลกที่ไม่ประเสริฐเนี่ยอยู่ใน่ามกลางโลกนั่นแหละแต่ไม่เหมือนโลกคือหัวใจที่บริสุทธิ์พุทธโธแล้วล้วน้ๆนั่นแหละ นี่คือผลแห่งการประพฤติปฏิบัติเวลานี้สุดเรื่องนอนให้ท่านตั้งหลายได้ตั้งใจประพฤตปฏิบัติอให้ประจักษ์ในหัวใจเจ้าของสิอยู่ไหนประจักษ์ถ้าลงใจกับธรรมได้สัาผัดสัมพันธ์กันมากน้อยจนกระทั่งถึง้ําเต็มหัวใจแล้วอยู่ไหนก็อยู่เถิดกลอาหารเต็มที่ต่อความจริงทัางหลายจะเป็นจะตายไม่มีอะไรสะทกสะทานเพราะเรื่องความเป็นความตายเป็นเรื่องของสมมุติจิทอันนี้ไม่ใช่สมมุติ นอกเหนืออยู่แล้ตลอดเวลาตั้งแต่วันบรรลุหรือตรัสรู้ทำขึ้นมาภายในใจกลาเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนขึ้นมาแล้วนั่นแหละเป็นจิตที่คงเส่นคงวาหนาแ น, น่นไม่มีคำว่าอนิจจ์ทุกขังและตาเข้าไปเกาะไปเกี่ยวเลยแม้แต่น้อยนั่นแหละท่านบอาเป็นบรมสุขบรมสุขสุขอันนี้ไม่ใช่สุขภวติธรรม เป็นสุกในหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์ด้วนๆแล้วจึงไม่มีกฎอนิจจังทุกขตาเข้าไปเกี่ยวข้องเลยว่าบรมสุขนี่จะแปลไปไม่มีคําว่าแปลถ้าสุขเหมือนโลกเหมือนสมุติทั้งหลายหรือสุกอันเป็นสมมตินั้นไม่ว่าจะสุขทางกายทุกทางกายไม่ว่าจะสุขทางจิตทุกทางจิตแปลสภาพได้โดยกันทั้งนั้นไม่มีอะไรเจียงถาวร ย, ยั่งยืนแปลได้ทั้งนั้นแต่ถ้าเป็นบรมสุขซึ่งอยู่ใน ความเบิกบดเลื่อ น, นของจิตแล้วไม่มีคำว่าอ น, นิจจังทุกขังตาเข้าไปเกี่ยวข้องเลยงั่นหายกังวลหายตลอดกาลนะไม่มีคําคําว่าการนั้นสมัยนี้หรือยืดยาวขนาดไหนก็จะต้องสิ้นต้องสุดลงไปได้นีงไม่มีเป็นความเที่ยงตรงท่านนี้เรียกว่านิพานเที่ยงก็คือไม่มีกฎอ น, นิจจังทุกขังตาเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็เที่ยเงเท่านั้นเองทำใจของเราให้เห็นชัดๆสิภายใน จ, ใจิตใจยืนเดินนั่งนอน ก็สักแต่ว่าเปลี่ยนอาการของท่านของขันแบบนั้นธรรมชาตินั้นไม่ได้เปลี่ยนตัวเองประจักถ้าว่าอัศจรรย์ก็เหนือโลกอยู่ตลอดเวลาอัศจรรย์ของท่านไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนโลกอัศจรรย์เหมือนโลกตื่นเต้นกันอย่างว่าไม่มีอะไรที่จะเหมือนสิ่งนั้นนั่ น, น, นแหละสำคัญมากทีเดียวการปฏิบัติธรรมถ้าไม่เอาจริงอาจารย์จะไม่ได้เรื่องนะ เพรเรื่องของกิเลสนี้ครั่งตัวเต็มที่ในหัวใจของแต่ละดวงละดวงคือผู้ปฏิบัติของเราถ้าสติปัญญาศรัทธาความเพียรไม่แก่กล้าไม่สามารถไม่เอากินเอาจังแล้วจะไม่ได้ล่วงอะไรวันหนึ่งวันหนึ่ ง, นนงปีปีหนึ่งปีหนึ่งจะล่วงไปล่วงไปแต่เมื่อกับแจ้งเท่านั้นแต่กิเลสกับจิตจะไม่แยกจากกันไปเลยถ้าสติปัญญาของเราไม่ทันกับมันแล้วยังไงก็ต้อง พันกินไปนั่นแหละแล้วก็ประจมอยู่ในกองทุกข์อีกเช่นเดียวกับที่เป็นมาแล้วไม่มีอะไรผิดแปลกจากกันเพ่อคิดเดชไม่เคยเปลี่ยนตัวเป็นอย่างอื่นมีมากทุกมากมีน้อยทุกน้อยจนกระทั่งไม่มีเสียนั่นเดียรงไม่มีทุกในหัวใจดวงนั้นทํำไงก็ไม่มีถ้าดวงคิดเดชได้สิ้นสู่ลงไปสียอย่างเดียวนั้นถึงทุกในร่างกายก็ทราบว่ามันเป็นทุกแต่ไม่สามารถที่จะซึมทราบเข้าสู่จิตใจได้นั่นมันต่างกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาท่านพระอาหารท่านตายท่านจงไม่มีปัญหา จะทํายังไงให้ท่านเถลจะทํางานให้ท่านเสียท่าเสียทีให้รถตัวลงจากความเบื่อนนั้นไม่มีทางยังเรียกว่าอาถรรนะเป็นไปไม่ได้แล้วสมมุติเป็นสมมติมีมุตเป็นนิมุติต่ตางอันต่างจริอย่แล้เข้าไปถ้าเข้ากันได้ยังไงนี่การปฏิบัติธรรมให้ปฏิบัติอย่างนี้วิธีการอุบริบาตต่างๆก็เลยแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนมามากมาย ตลอดถึงวิธีปฏิบัติควรชันเด็ดให้เด็ดที่แ เ, เปลี่ยนแปลงแงใดควรจะเป็นประโยชน์ให้หาุบายที่ เ, เปลี่ยนแปลงตัวเองหลายวิธีจึงเรียกว่าปัญญาที่จะแก้เจดียซึ่งเป็นจอมที่ฉลาดแหลมคมมากที่สุดไม่งั้นไม่ทัน <c oughs> วันนี้ก็เทปยังแค่นี้เอาแค่นี้แหละอนลันนี้ มันไม่สะดวกอะนะเราไม่นึกว่าจะมีเสียงมันนี้ยุ่งเราจริงได้มาประชุมเท็แล้วเนี่ตั้งใจเท็จตัวนั้นมาว่าฟุ่นแล้วโอหทุกคนนมาอย่างไรเสียงนี้ใครใครใไ้ไหมเขามาฉายนางหรือนีเนมื่อวานนี้เขาใา้ไปไหนรูปไหมใครท้าบไหม ใายนังเรียนรุนน้องเรียนดุนทุ่ง น, น, นั้นะหรือนี่ก็คงจะใช้นั่น อ, อยู่บ้างเนี่ยแล้วเนื้อเกาขายผ่านไปแล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรนั่ก็เป็นอย่างนั้นในเท่นไม่ต้องทุนในท่านวัดต่างๆวัดกรรมฐ า, านเราท่านยังคงจะไม่มีอันนี้ที่ผมมีตกมาโอ้เสื่อมไปอย่างนี้อยู่กันไปนั้น ทานถามหลวงพ่หน้าวัดไป ว, ว่าครูชอบอะไรไรเบี้ยลงไปเลยเต็มท่า ง, งกว่าก็จำเป็นก็ต้องสารภาพว่าทีผู้มีก็มีผู้ไม่มีก็ไม่มีว่ามันนักเพราะนั้นมันก็ได้ความแล้วทุเรียนทำไมครูบาอาจารย์พัดำเนิ น, น เออท่านถือเป็นงานเป็นการท่านจริงๆของพระทั้งหลายจริงๆไม่มีงานอะไรเลยฉะนั้นฉนัน็แล้วมีแต่เดินโยงกลมนั่งสมาธิภาวนาไม่มีอย่างนั้นตอนนั้นไม่มีงานอะไรมายุง่งมาปวดเป็นเนื้อเป็นตังจริงๆเรื่องภายนอกไม่จะเป็นก็ไม่ให้ยุ่งแหละน่อย่างพ่อแม่โคงการเราไม่มีเลยเราพูดได้ว่าไม่มีเลยไม่มีอะไรมายุ่งเลย พระยาจยมก็จะยุ่งที่ไหนท่านอยู่ในเขาในป่าใครไปยุ่งท่านแล้ท่านไม่สนใจด้วยมิจะสอนผ้าสอนเนนอยู่อยู่ด้วยความสงบสงบ ผลของศาสนาไม่เห็นเลยไม่ปรากฏเลยในหัวใจของชาวพูดเหล่านี้แม้รู้สึกว่ามันพูดไม่ถูกบ่าอะไรนี่แต่ลมปากเฉยเป็นลมลเแรงๆเลยถือกันถือเป็นลมลมแรงๆ แ, แต่ไม่มีอะไรปรากฏเลยตั้งตั้งศาสดา ก, ก็เป็นศาสดาองค์เอกสอนธรรมอันเอกแต่สับโลก สัตว์โลกมันก็เป็นสัตว์โลกอย่างว่าวมันไม่ใช่สัตว์ธรรมะมันเป็นสัตว์โลกสัตว์ที่เป็นธรรมควรช่วยมันสัตว์โลกนะนกวันหนาเดินเข้ามาหนาเนเข้ามามันข้าเข้ากันมัง น, นอกมอง น, นา คุณเข้ามาได้อะไรๆเข้ามาเราก็ยิ่งโง่ยิ่งเป็นเหมือนดินอะไรมาความาวามาัามา่ความมั่งเผากันรื่อนี่ีัครังาาอาจารย์ที่แน่แนมันจะไถนห ะ, ะ, ะคูาอาจารย์ที่แน่แนวต้องาจากยากคยากจนจะไม่มีแแหล ะ, ะต่อไปนี้จะไม่มีถ้ามันเป็นอย่างนี้น เพราะกนรแนบีก็ต้องออกมาจากความรู้ความเห็นของใจที่จะรู้จะเห็นก็ต้องปฏิบัติให้ถูกแนบมันจะรู้เห็นขึ้นมาได้รู้เห็นขึ้นมาแล้วทึงจะสอนได้เช่นสมาธิเรื่ปัญญานี้แจ้งสอนถูกต้องตามแมนบถ้าไม่รู้ก็สอน ไ, ไม่ได้กระม่อมต้องรู้ถึงจะสอนถูกต้องตามแมนบเลยเพียงเราเรียนมาไม่ว่าท่านมาเรามันก็ยางนั้นแหลเรียนมาแล้วเราไม่รู้เป็นยังไงได้แต่ชื่อด องค์ของสมาธิแท้มันไม่เห็นไม่รู้ไม่เปลี่ยนในจุดตัวเองแล้วจะไปพูดได้ยังไงนี่ที่สำคัญมันเป็นในสิ่งของแลวพูดได้ไห่ยังไงพูดไ ด, ไ ด, ได้สอนได้กล้าได้แค่ถัดกล้องเลยพูดเพราะผ่านมาหมดครอบไปหมดแล้วเพราะว่าบ้ามมันรู้แล้วอย่างไรก็เคยผ่านมาแล้วผ่านมาแล้ว เป็นอยงไม่พูดเมื่อไม่มีเรื่องมาสัมผัสกันก็ไม่ออกรับกันเนี่ยพอมีเรื่องมาสัมผัสเช่นทางนั้นพูดขึ้นมาทางนี้ก็ออกรับกันควรจะแก้ก็แก้ควรจะเสริมก็เสริมพอรู้ไว้แล้วู้ไว้แล้วนี่สคัญจริงวัตถุมันแสงธรรมหรืออย่างนี้ ใจก็ดิ ja ้นไปกับเรื่องโลกเรื่องวัตถุเร่งแสงธรรมการปฏิบัติไม่มีวัดท่องวัดไม่มีการปฏิบัติทำยังไงมีแต่เอาชื่อเอานามอาไว้เลยครับเท่านั้นบวชมาแล้วครับมแล้วบวชเท่านั้นก็เท่านั้น นม้จะรักษาศีลนก็ไม่บริสุทธิ์จะว่าไทำลายอยู่นั่นแหะทำลายศีงนก็ภูมิใจว่าเราเป็นพระเป็นเนรภูมิมันลมแรงนี่นี่มนนาไม่ได้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติก็มีการพูดอย่างนี้ไม่ได้ปฏิเสธนะว่าไม่มีผู้ปฏิบัติมี จะมีแล้วอย่างลีลึกลบับๆเงียบ ท, ท, ท่านมีท่านเป็นในวัด บ, บ้านก็มีไม่ใช่ไม่มีนะแต่ท่านปฏิบัติอย่างเงียบๆของท่านเหมือนท่านไม่ได้ปฏิบัติว่างั้นเถอะไม่ออกตลาดเหมือนกิเลสมันออกก <c oughs> ิเลสของพระของเลนออกตลาดนี่โวมันเกินหน่วยแล้วผู้ปฏิบัติเป็นธรรมกินท่านก็นเลยไม่อาจจะออกนะท่านเก็บบางท่านไว้เสียเงียบๆ ผมผมอย่างที่ผมเคยผาดมาถ้าไปพูดเอาขาเราเอีอ่ย น, นั้นแล้วนั้นนหละที่ว่าไม่ออกตาลาดมันก็เป็นอย่างนั้นพราะกิเลสมันมันมากเห็นบอกแล้วเดี๋ยวมันขยํามาแหลกเ <c oughs> ปงใครพูดอะไรจะเตือนนักหนาวพูดอย่างนั้นมันก็เข้ากันได้หมดเลย <c oughs> ผมผมเองผมก็เคยผมเป็นอย่างนั้นมาเรืยนะปัญตั้งแต่ผมเรียนมัธยมผมไม่เคยลานะ้าการภาวนาผมมันนักเป็นอยู่ในหัวใจแต่ไม่ให้ใครทราบนะ ไม่มีใครทราบผมเลยผมมักทําผมอยู่นั่นนะเวลามาภาวนาไม่มีใครรู้มีในห้องภาวนาเป็นอยู่ในถุกเจ้าของหมูเพื่อนเป็นยังไงกันแล้วแต่มันเป็นอยู่ น, นั่นนะเพราะฉะนถึงถึงพูดว่าพูดตั้งใจปฏิบัติมีอยู่อย่างังเงียบมันมีเราไม่ไปฏิเสธเราไม่มีนะมีจะมีน้อยมาก มีเรื่อมีอยู่เฉพาะท่านเงียบๆในวัดในวานส่วนมาก จ, ากจะมีเจ้พระอายุพรรษาแก่ๆ ท, ท่านอยู่ยงเงียบๆท่านท่านภาวนานท่านคงแก่เรียนแล้วนะเป็นนับตนอยู่รู้โลกก็รู้มานานแล้วา ม, มากต่อมากแล้วแตอยู่ยงเาางี้บๆทํภาวนาท่านมีอยู่ แม้ว่าบ้านนอกในเมืองมั น, ม, น, ม, นมีอยู่เสมอแทรแทกกันไปแต่จริงๆว่ามีน้อยในส่วนทีน่มันเพ่นพ่านเพ่นพ่านยืดออกทีตลาดนี่มันน่าทึ่งอืออือนี่เป็นผมทำเราน้ำผมเป็น มันมันมันไม่อันหนึ่งอยู่นั่นะนะพูดไม่ถูกนะมันเป็นมันเหมือนก่าเป็นสายดิ่งอยู่ในหัวใจเนี่ยดิ่งต่ออาตต่อธรรมต่อภาวน า, าเป็นยังไงนี่เลียนก็เลียนแต่อันนี้มันมันเป็นเหมือนก่าเป็นจันเป็นแ ก, น, น, แกนในภายในไม่แล้ะย <c oughs> ังได้มันเล่าให้ฟังอันที่ว่ามันรวมเกลกเนี้อขาดไปหมดอเลย เราไม่เคยตื่นตื่นเต้นเออดีใจตื่นเต้นแต่ความตื่นเต้นเลยนไประตุกมันแล้วไปควนมันแล้วไปจีตนั้นเลถอยมาเฮ้ยเสียดายหลัง <c oughs> เอาใหญ่เราเอาใหญ่มความหมายชั <c oughs> ้นยาลมมันไปอยู่กับที่ผ่านมาแล้วแต่มันไม่อยู่ใ น, นปัจจุบันปัจจุบันมันก็ไม่เป็นถึงรทั่งมันจีตจางไปแล้วจนหายห่วงแล้วที่มาทําจ <c oughs> ินแม้ก็ไม่ไปยึดอดีตที่นี่ มันก็เป็นอีกเป็นอีเป็นบ้าอีกเล่าก็ดีอย่างนั้นนะโอ้มันมันแปลกนะล่ะเมื่อมันเป็นแล้วถึงได้รู้เวลาภาวนาแต่ผมถ้าภาวนาพุทโธมาแต่ละตัวภาวนาพุทโธัวันมันจะเป็นอย่างนั้นนะมันมันเหมือนกับว่าดึงจอมแหล่แตากไว้เนี่ยเหมือนกับดึงจอมแผล่มันหดเข้ามาพร้อมๆกัน กระแสของจิตที่มันรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันหดเข้ามาหดเข้ามายื่นเข้ามาความหดเข้ามาของของจิตนี่มันมันก็เป็นยิยาอันหนึ่งให้เกิดความสนใจต่ออาการของมันที่มันย่นเข้ามายื่นเข้ามาโดยเป็น จ, จุดของความสนใจขึ้นมายิ่งจาะเข้าไปจเจาะเข้ามาเข้าี้เยอะเลย ถึงนั่นแล้วขาดไปหมดโถเป็ น, นผ่าจริงๆจะพอรู้อยู่เท่านั้นไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยขาดหมดมันก็อัศจรรย์เลยโถอัศจรรย์ตื่นเต้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ถอนเฉพาะความตื่นเต้นนุ่นไปแต่กระตุกไปกวนมันอ๋อเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะอาลาะนะอ๋อเป็นอย่างนี้เ อ, เอ๊เนี่ย มันไม่เคยเปลี่ยนมันเป็นเองเห็นเดี๋ยวก็ตื่นเต็นแต่นั้นมาก็เอาเรื่อยเแล้วเอานาเรื่อยแต่ไม่เปลนเป็นอย่างนั้นเหมือผมเป็นได้เพียงสามหนเรียนหนังสืออยู่อันเป็นเพียงสงบเรื่องเรื่องธรรมดามันสงบมันอยู่เป็นธรรมดานะแต่เป็นอย่างนั้นแ่ะมันไม่เคยเป็นมันเป็นสามหมนตอนนั้นแหละจนกระทั่งออกบวชออกปฏิบัติหยุดเรียนแล้วออกปฏิบัติ ทีนี้ขนาบใหญ่เลยจ้จะให้ได้อย่างนั้นคราวนี้ยังไงก็ต้องหนีไม่พ้นวลังั้นเลเพราะปทเรื่องภาละการศึกษาเระเรียนความกังวลอะไรๆออกหมดมีแต่ท่าปฏิบัติล้วนๆเอากันใหญ่เลยกลุมเอาทั้งวันทั้งคืนไม่ถอยแล้วก็เป็นจนได้สิว่างั้นที่ก็เป็นสมาธิ่ะ มันเป็นแน่นหนามันคงอยู่ตลอดเวลาจะเข้าสมาธิจิตจะสงบกิริยาหรือไม่สงบกิริยาของความคิดความบุญก็ตามแต่มันตัวฐานของจิตนั่นมันแน่นปึงตึงมันน่นอย่างนี้เดียวคิตเป็นสมาธิมันเห็นอย่างนั้นเลยจิตเป็นสมาธิเป็นยังไงที่สงบเข้าไปก็จะว่าเป็นสมาธิเลยที่เป็นสมาธิมันมีนี่มันเห็นตั้งสองอย่างสงบก็ไปมันจิตมันสงบ ถ่ายออมาแล้วมันมันก็หมดสมาธิคือความตั้งมั่นมันไม่มั่นเล่ไหมมันควอนแคลนค่อนแคลนเวลาสงบหลายครั้งหดายหนหลายครั้งหนึ่งความสงบแต่ละครั้งละครั้งมันก็สร้างฐานมันให้แน่หนามันคงขึ้นแน่หนามันคงขึ้นสุดท้ายก็ฐานมันกันแน่นเปึงนน่นจิตจะสงบไม่เข้าไปไม่กระาำ จะไม่สงบคือคิดอ่านแต่ต้องได้อยู่ก็าตามแต่กำหนดดูฐานของขิดมันจะแน่นปึงอยู่ตลอดเวลานั่นที่นี่ว่าจิตเป็นสมาเทเน่นนก็พูดได้สิมันเป็นแล้วอ้นี่มันกินอะไรเนี่ย เตรียมสมาธิที่นี่มันก็อัศจรรย์นะถ้าถ้ามมนมีมทาขั้นละเอียดกว่านี้ไปขึ้นมามาแทรกนะว่ามันอยู่ได้เพลินทั้งวันนะกว่ามันเป็นในหัวใจอยของนะ้่ยมันทำไมมันปู่นไม่ได้คือมันมันอิ่มตัวอยู่ทุก เ, เวลา อยู่ไหนมันก็อิ่มตัวสมายไม่มีอะไรกวนเพราะเข้าสมาธินลนวแน่วจริงผมพูดจริงๆนะยึดเป็นผมเป็นสมาธินี่มันเป็นจริงๆมันเป็นชำนาญมากทีเดียวเพราะไม่ได้สนใจกับปัญญาเลยสุดท้ายก็ว่าจะเอาสมาธนินี่แหละจะเป็นเป็นยิปฐานกุศลกันเลยจนพ่อแม่บริการไลข่ขั้นหนาบออกมันต้องออกถ้าออกุศอื่นมาไล่มันจะไม่ออกนะหิด พ่อแม่ปู่ย่าซึ่งเป็นที่เราเคารพนับถือเอามากสุดหัวใจเมื่อมันถึงศูนจากสมาธิออกมาแม้ทั้งกันดับเอาหนักเหมือนกันนะผมไม่ลืมนะเพราะท่านรู้นิสัยอันนี้ถ้าพูดธรรมดา ม, มันจะไม่ถึงนิสัยอันนี้ท่านเอาแต่ดิ้นเด็ดใจกับผมนะเช่นอย่างที่ว่าสูบในสมาธิเหมือนกับเนื้อติดสันนะ่ะ ท่านรู้ไหมทรู้ไหมโอ้เจาะเข้ามาเนีน่ท่านไม่ได้บอกว่าความสุขในสมาธินั้นไม่ไม่เหมือนความสุขทางด้านปัญญาซึ่งละเอียดกว่านี้อนนันหนึ่งนะท่านควรจะพูดนั้นท่าไม่พูดเวลาผ่านไปแล้วมันก็เข้าใจเองอ๋อท่านพูดอง น, <c oughs> นั้ น, พน <c oughs> เพื่อนี้สายอันนี้เนยนี่ออกจากนั้นไปแล้วท่านหนี่ท่านรู้ไหมว่า สมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทัยทั้งแ ท, งทง่งท่านรู้ไหมฟังดูน้าก็เรียนมาติดปากที่ว่าสมาสมาธิก็เป็นมากถึงเอาแล้มาเถียงกันสินี่ก็ถ้าว่าถ้าว่าสมาธิเป็นสมุทัยแล้วสมาสมาธิจะให้เดินที่ไหนวะ <c oughs> โอสมาสมาธิขอท่านแม่ได้เป็นสมาธินอนตายเหมือน้องท่าน่น่าว่านี่ น่มนอนตายใช่ไหมพี่ว่านั่นความปิดในสมาธินั่นแหลหนะความหมายนะความปิดในสมาธินั่นแหละมันผิดอ่ะผิดตรงนั้นแต่ท่านจะว่ากันมันไม่ถึงใจเรานุ้มบอกว่านอนตายใช่ไหมว่างันสมาธิของพระพุทธเจ้าท่านสอนนนมันไม่ได้เป็นสมาธิที่นอนตายเหมือนของท่านหรือ่ปล่ า, าโถมกหาที่ขั้นอะไรที่เนอนตายขี้มันเยอะมันไม่อยอมบอกนี่นี่สิ ท่านอาจจะนั่งหนักปว่าผมนะแล้วก็ได้เพราะท่านรู้นิสัยอ น, นี้มันนิสยัยรุนแรงนิสัยผาดโผนท่านรู้เอากิ่งถ้าหลงลงกิง่งไม่หลงไม่หลงเดื้งนั้นนะผมเนี่ยอืมขาวๆเบื่อเรื่องอะไรอย่างนี้พอไปถึงขั้นปัญญา ก็เอาจากนั ก, น, ก, น, กนั่งหนากเหมือนกันท่านปัญญาคิดว่ามวลามออกมันออกแล้วหน้าหน่อยจกนกมะทั่งกางคืนไม่หลับไม่นอนนั่นแหละมันหลงสังขารนะคือสังขารหมายถึงว่าความคิดทางด้านปัญญามันก็เป็นสังขารเอาสังขารออกช้แต่สังขานี่เป็นฝ่ายมากสังขารนึ่งเป็นฝ่ายสมุทยัยแล้ว ล, วลวนะไรอย่นี้ คือเราให้คิด ใ, ให้เป็นปให้ให้เป็นปัญญาไม่เอาสังขารออกไปใช้จะเอาอะไรกปกใช้นั่นนั่นแหละสํานั่นแหละมันหลงสังขารคือสังขารของมรรคกันแหละแต่มันเกินไปมันก็เกียกว่าหลงนั่นแหละมันหลงสังขารก็เมื่อมีพิจารณามันก็ไม่รู้เนาะนั่นแหละบ้าหลงสังขารเลยโอ้ยเอาหนักเลยเนาะบ้าหลงสังขารเอาหนักเลยคราวนี้ไม่เถียงนะ่ะอันคงจะถูกอย่างท่านว่าแล้ว เหมือนเงาาที่สมาธิเราลงแล้วน้าสมาธิที่ท่านไล่ออกกัน่ะเวลามามาพิจารณาเป็นอย่างนั้นจริงถูกอย่างท่านว่ามันก็ยอมที่เวลามาถึงข่านปัญญาท่านมาหลงสังขารเทราะบ้าหลงสังขารคงจะถือเป็นท่านว่าแะแต่มันก็ไปเต็มเหนียวมันมันก็ไม่จะไม่จะพักไม่อยากพักแหละเต็มเหนียวแต่มันไม่ไม่เถียงมันนะมันคงจะถูกอย่างท่านว่า อย่น้มันไม่ลืมที่มันจะพุ่งพุ่งแต่แล้วมันก็ถูกอย่างท่านเวลาพิจารณาพระแต่แล้วย้อนมามามันถูกอย่างท่านทา่านว่าที้นี้ก็ได้แต่ได้เด็ดแบบนี้อ๋อท่านท่านสอนเราท่านสอนอย่างนี้ว่รู้นิสัยเราว่าเป็นนิสัยอย่างนี้เนี่ยทนี้เรื่องที่ให้พอให้เหมาะพอดีนั้นนะ เรื่องสมาธิมันก็ให้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาบ้างอย่าติดอยู่แต่สมาธิอย่างเดียวนี่ความหมายพราขนาดนั้นนะ่ะแต่ท่านจะว่าเป็นชนิดเรามันจะไม่ถึงไม่ถึงใจเราจริงเรามันอยากถ้าหนี้ใส่อย่างนั้นถ้าพูดถึงเรื่องปัญญาการพิจารณาทางด้านปัญญามันเกินเหตุเกินผล ม, นมันเลยเถิดเนี่ยก็พักบ้างส่ความหมายว่างั้นถ้ามีเวลาพักในสมาธิบ้างแล้วออกทางด้านปัญญาบ้างในสมเสมอการที่เรียกว่าดําเนินไปด้วยความสะดวก ท่านจะว่าอย่างนั้นความถูกจ้างมันเป็นอย่างนั้นแต่ทีน่นี่ท่านทำไมไม่ว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าเห็นว่าเรานี่ยมันมีสายมันหนาถ้าไม่เอาอย่างหนักเนี่ยมันไม่กระเทือนพูดง่ายว่างั้นเวลาผ่านไปแล้วมันก็รู้ห้วเวลาอย่างผมเองเห ม, มือนเนี่ยพาอแม่คอยใจพูดอะไรหนักๆนันรู้ว่ามันเจ็ะ ดีครับดีมากขอคู่ค่อยมนะฮึใช่ครับผมก็ยอมรับอันนี้ข้อนักมันหนักธรรไม่ใช่หนักกิเลสออกมามันเป็นพลังของธรรมออกมาไม่ใช่พลังกิเลสนี่ยมันก็ยอมรับไปเลไม่ชอบไปเลยแม้ว่าใครถ้ากิดเป็นธรรมแล้วผางมาเนี่มันถึงใจกึ๊กเลยพอออกงาเนี่ยมันไม่จช่เป็นพลังของกิเลสเป็นพลังของธรรมออกมาพิจารว่าใครวันแล้วแก่ผมน้องเข้ามานี่ มัน้อมันครๆวันอ่อนยุกไปเลยครับถึงจะว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่า็ยังน้องเขามาผมดีว hmm. yeah, so. like ่าชาตาวันไหนพ่อแม่ตัวจย์แข็งแต่เสียงชอบจริงๆเลยกคือแกงว่มันมันมันถึงที่เดันก็เคียนเรายาก็เช่าอปเลยเราเป็นผู้มุ่งาำยู่แล้ว นี่ยคำอันนีผมไม่เกิดกเกินี้ปอะมาณนี้ว่าว่ามันยบแยบเหลือมันไม่ไม่สะดวกผมเลยอยูเนี่ยเพียงผมไม่ว่าเขาไม่พูดอะไรอื่นแต่ว่าพวก็คิดอยู่ว่าพระแม่ปุณจารถ้าใช้ขันมากมันีุ่มจะสัวใช่เออควาเก่งกัน เขาก็มาเขาใจเขาเหมืนอนกันกับหัวใจเราหน้าเกา็ อ, อยากเกาะทีไหนหนา้ายึดก็ อ, อยากยึดที่ไหนควรจะพึ่งเขาก็พึ่งนี่ยเหมือนเรานะอันย่งก่นมาของคนจริงหาทางกุมเขาก็ไม่ได้เหมืนอ น, นเราไ่หาผัวาจาหาเกาะหายึดอะไรก็ ชูใต่ชูมีที่ขอาที่ยึดไม่ได้เกาะยึกคูวาจานเขา อ, อัจเกาะทําเนี่ยเวลาไ้่เดินต้องต้องยึกดยึดชหเต็มที่เมื่อถึงที่แล้วมันก็ปล่อยเองนี่เราขึ้นบันไดมันจับบันไดให้เต็ที่ได้เหรือตกกันมาตายเนี่เวลาขึ้นต้องจเกาะให้ต็ดที่ติดี่เมื่อถึงที่แล้วก็ปล่อยเองแนี่ เวลานีย split, ่ยเป็นเวลาที่ยึดที่เกาะูบาจังมันต้งยึดต้องเกาะติดกูบาจังมับ้าของมันยึดกูบาจังแลก็ติดกูบาจังนี่พิกเลยนะไม่มีอะไรเป็นาวเชือขันบรรากาศเป็หัวปักมางั้นหรือวะถึงดีคนู้นที่กาะนี่คือใเรื่องอะไรคนหลับลย ถึงเวลาเกาะมันต้องเกาะซะก่อนดอนูเวลานี้เป็นเวลาที่เกาะเป็นเวลาที่ยึดเช้นเราเดินทางเนี่ยเราต้องยึดสายทางเป็นสําคัญสายทางที่ถุงต้องยึดแยกไม่ได้เนี่ยครูบาอาจารย์ที่แนะนาําสอนต้องยึดต้องเกาะให้แน่นทีเรามันก็ยิ่งมันการเพิ่มกํลาลังของเราขึ้นเป็นที่มั่นใจเป็นที่อบอุ่นเป็นสะดวกก้าวเดินพูด่าง่ายว่าสนุกก้าวเดินวะ่ะเมื่อมันมีครูบาอาจารย์คนนี้อยู่แล้วมันสนุกก้าวเดินเนี่ย มันไม่ว่าเวนี่มนไม่ยึดได้งไงถึงเวลาที่ควรยึดต้องยึดซะก่อนเมื่อมันถึงเวลาอิ่มแล้วเหมือนเรารับทานแอิ่มตัวแล้วก็อิ่มก่อนอย่างที่อะไรพระนันทะไม่ได้่หลือคือว่าพระพุทธเจ้าสรงรับรองอ่ะค่ะอืมทีนี้ก็ได้ปล่อยแล้วเรื่องความที่อันที่ความรับรองจากพระพุทธเจ้าเนี่ยก็พระนันทะผูเ้เดียกันไหมล่ะค่ะนั่น แล้วก ok ็ตรงที so, right. ่ก่อพระนางก่อพระริจ้าพระนานท่านบ่เวล้าพอถึงขั้นวิสุทธิธรรมอรหัตแต่บุคคลแล้วถึงนี่มันเป็นอนุภาพปาฏิจากรแลเป็นว่าปล่อยแล้วเรื่องการรับรองจากพระองค์พระองค์เป็นเหมือนก็เป็นตัวประกันแต่ก่อนใช่ไหมล่ะอพอถึงที่แล้วก็เป็นว่าปล่อยแล้วที่มดปัญหากันแล้วนี่ก็เป็นอย่างนั้น เราเมื่ออยู่ในเวาลาที่เกาะที่ยึดนี่โอต้องเกาะต้องยึดไม่เกาะไม่ว่างไม่ยึดไม่ร่างผมมันเป็นัใจของผมพราแม่อมาจารย์มเป็นหัวใจของผมเลยขนานั่นส้วยเว่าเกาะว่ายึดรือไม่กาะวิญญาณด้วยมันเป็นหัวใจชื้จิตใจอยู่กับนั้นหมดเลยเนะนี่ยเวลามันควรยึดต้องยึดควรเกาะต้องกาะควรพึ่งต้องพึ่งไม่พึ่งไม่ได้ เหมือนก็เราเดินตามสายทางปีกสาทางไม่ได้นะพอถึงที่แล้วทางนั้นกับเราก็หมดปัญหาไปเองเมื่อถึงที่แล้วที่ครูบาอาจารย์นั้นสอนถึงที่แล้วมันก็รู้เองจากเรื่องบุญเรื่องคุณ น, นั้นไม่ถอนนะอืทถึงบุญท่านคุณท่านเคารพเรื่องสายนี้ชุดหัวใจแต่ที่จะให้ยืดอยู่นั้นมันไม่ยืดอย่างนี้เน่ยมันก็รู้ใช่ไหมล่ะถ้ายืดแบบนั้นเหมือนแต่ก่อนอย่างนั้นมันไม่ยืด แ, แต่มันเกี่ยวนย็นอีกแบบหนึ่ง เป็นความเห็นบุญเห็นคุณซึ้งมันมีอะไรเท่าเละที่นี่นะเนี่ยความเห็นบุญเห็นคุณอุูบาจารย์ซึ้งจริงๆผมไม่ขายผม่ำไมใช่เพราะแม่ครูอาจารย์มันต้มไปไหนถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นี่ยอย่างนี้จะไม่ซึ้งได้ยัอไอท่านสานว่างนานนี้จับปับป๊บจัับความมักความมั่งเลยมันเอาจีบมาจังนี้่นีใส่เนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าท่านถึงใส่เอนอหนักๆอกผม ผมไม่เล่นทาอะไรเอากริงเอาจังทุกอย่างนิสัยมันเป็นนิสัยกินจังแต่เันนี้มันก็เคยเป็นมาจากคารนัมนแหละหากเราไม่รู้ว่าอันนี้เป็นอาจเป็นธรรมเป็นอะไรเป็นนิสัยกินจังมีความศักด์ความจริงมันไม่ได้คิดแก่อนเวลามาปฏิบัติธรรมมันย้อนไปหาความเป็นคารวะของของอ๋อมันเป็นมาจากโน้ตเป็นพื้นเพมาแล้ว ก็มันจริงถ้าว่าจะจะทําแล้วเอาเลยทําเลยถ้าว่าจะไปไปถ้าว่าจะอยู่ดูเนี่ยไม่ไม่เลยมีคําว่ารอแหล น, นะว่าจะไปแล้วไม่ไปอย่างนี้ไม่ไม่เอาผมผมไม่เอานะใครมาเล่นกับผมรแหลนโอ้โหผมไม่เล่นด้วย น, ะวน า, า, า, านนะนี่คือคารวะของมึงนำเนี่ยนิสัยรลแหลนมีผมไม่เล่นด้วยเนี่ยเจ้าถ้าว่าพึ่งพึ่งการยิงยิง<ๆ>พึ่งเป็น <S 2> <S 2> <ๆ>พึ่งตายยิงไม่มีสองนัง่นด้วยงั้นนิสัย เวลเข้ามาหาครูบาอาจารย์แล้วมันถึงเกาะถึงยึดจริงๆเอาเป็นที่ลงใจแล้วนี่คือบาอาจารย์ของเราแน่แล้วไม่สงใจแล้วพอเยียมเราก็เรียนมาแล้วท่านปฏิบัติยังไงกับตำบัดตำรามันก็วิ่งเข้าถึงกันปุ๊บปุ๊บปุ๊ประสานกันแล้วลงใจแล้วน่นท่านทําบบนั้นนั่นถูกกับข้อนั้นข้อนั้นข้อนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพอเอามาเทียบมาเคียงได้มันก็เห็นจะชัดแม้สิ่งที่เราไม่เทียบเคียงแต่เราไม่สามารถมันจะผืนไปไหนมันก็ต้องลงใจเหมือนอย่างที่เราเห็นมาแล้วนี่แนี่ย เรื่องสมาธิปัญญาของตัวเองยังไงถึงเาต้องยึ ด, ด, ด, ดยิ่งยึดยิ่ ง, งหนักเข้าไปเลยิึดโดยที่ถึงด้านพ่อแม่ครูอาจารย์นั้ น, น, น, น, น, นาภาพผมน้ำตาล่ง่งเห็นไหมอ่ะพระคิดไม่อยู่กับใครเลยปัญหาของเราวันหนึ่งวนงมันเกิดขึ้นเท่าไหร่ก็ตอนนั้นเป็นปเรื่องของปัญญานี่มันเป็นธรรมจักรอยู่แล้วนี่ นัน่นแะตอนมันนัน่นอหละธรรมจักปัญญาของเราเมื่อมีวันมีคืนเลยแล้วปัญหามก็เกิดขึ้นเรื่อยสิเกิดขึเรื่อยแล้วเมื่อมีครูวาอาจารย์อยู่เราจะไปแก้ไปไขโดยลำพังตัะเด็งให้เสียนไวลใเวลาอะไรทั้งๆ ท, ที่มันก็กำลังปัญหานี่มันแก้ยากจริงๆมันหนักออกมากเหมือนกับแหลมหลาแทงหัวใจเข้าไป แกมาด้มันก็ขวางอยู่นั่นหรือเปล่าพอวิ่งไปหาท่านเล่าถวายท่านท่านใส่เปรี้ยงเดียวตกพัวหมดเลยนั่นคุณค่าของครูอาจารย์ที่ผ่านไปแล้วเห็นแล้วรู้แล้วแก้เราเป็นอย่างนั้นแล้วที่นี่คุณค่าของเราที่จะแก้ตัวเองนึกฟัดวันนั่งค่ายังไม่เรื่องมันจะตายมันมีคุณค่าอะไรมันต่างกันขนาดนั้นนะถ้าพูดถึงคุณค่าครูอาจารย์กับเราแล้วเราไม่มีคุณค่าเลยนี่อืแต่เมื่อเวลาไม่มีครูอาจารย์แล้วมันก็ต้องจําเป็นต้องฟัดต้องเหยียงกันไปนะ เวลามีครูบาจารย์อยู่ยังพระสงฆ์ชาวกในทัง้งพุทธการที่ว่าไปเรียนถามปัญหาจากพรุทธเจ้าแล้ะบัรู้ธรรมในต่อพระพักก็มีงั่นแต่จากนั้นแล้วก็เมื่อมันมีผู้ศึกษาแต่ถามโลกจะจะไปแบกนั้นหนักอะไรก็ต้องเข้าหาเ ข, าหาข้าหาที่ย่างพระสงฆ์ชาวโกในทั้งพุทธการเข้าหาพระพุทธเจ้าเรียนถามปัญหาพระพุทธเจ้าแก้ปัญหานั้น่าบรรลุธรรมบันรูนะ้ธรรมะ นี่มันไม่เวลาไม่มีครูบาอาจารย์ดนั่นแหละที่คิดมันแลทําไงเนี่ยหัวใจไม่อยู่กับใครเลยอยู่กับท่านเท่า น, นั้นเนี่ยท่านก็มรารับภาพแล้วเห็นอยู่นี่นั่งเฝ้าท่านอยู่นี่ลาพึงลาว่าโอ้น้ําตาล่วงขนนึกยังไงปัญหาของเรามันเกิดอยู่ตลอดเวลาท่านยังไงจะทำไงเนี่ย มื่มันสูญเสียแล้วมันก็ฟัดก็เวียงโดยบางปัาแต่มันนานที่บางปัญหาบางข้อไม่ลงมาเมื่ออุ่นแล้วผมเห็นมาแล้วคือมันมันเก่งใจแต่คิดเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้มันก็กดาษอะไรมันก็ทําให้ดีขึ้นมาโดยที่แล้วฟังก็อยู่ก็คู้มราจามันอบอุ่นเน่ะ มันก็กลาจับภูเขาทองวางกันดูนะโว้ยมันเหลือกระลามไปหมดก็ก็ภูเขาทองพายเหลืองนี่ไม่ใช่เราเหลืองอพอออกกับท่านไปแล้วโว้ยดาปีเลยสั่นไฟสู้อะไร ง, งั้นถึงเอาโอนจากท่านอย่างนี้เราหนีไปจากท่านไปม่ได้เนี่ยผมมันเรียนมาหมดมันผ่านหมดแล้วนะถึงได้พูดเต็มปากเต็มปาเวลาจากท่านไปไม่าด้จากไม่ได้ จ, จริงมันเห็นไดเจ้าของ เขอยู่ในป่ามันก็อยู่เฉยๆเรื่องกิเลสมันเป็นป่าของมันไม่ก็ฟาดไปตามเรื่องของมันเราแก้ไงก็ไม่ได้เขอยู่ในป่าเหมือนจัดโธอย่างนี้ไม่ได้แล้วเหนี้ยวไม่มีเรื่องอะไรมันก็ุเรื่องของมันขึ้นมาก่อเรื่องของมันขึ้นมาในหัวใจเจ้าของให้ยุ่งกับเจ้าของตลดเวลาเนี่ยทั้งๆที่ไม่มีอะไรมายุ่งนะมันจะยุ่งมันเองเนี่ยโธ่ถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้หนีจากครัวใจไม่ได้นั่นเห็นจะทำดังที้พระเรียว่าอะไรผมบอกเหมือยู่นุ่นนะา วัดช่องลมเพมัน ก, มก็ชวนผมเลย ท, ทันทีเพราะผมเคยเป็ี่ยนมาแล้วโอ้อยู่เมื่อไม่มีครูอาจารย์แล้วก็อยู่ป่ากอยู่ป่าได้กินมันก็เป็นปา่ามันไปงั้นเหรอเหมือนสัตว์ตัวหนึงอยู่นในปา่าว่างั้นโถวะ่ะมันจะเข้ากันได้ปั๊บนักงานเข้าใ น, ในสนิทเลยผมเคยเปลี่ยนมนั่นนั่นมันไม่ไหลักเมืองนั่นนะหลักใจไม่มี ตอนนั่นมีแต่เจริญกับเสื่อมเจริญกับเสื่อมอยู่นั่นตอนที่ว่านอพอมันได้หลักแล้วจิตแน่นปึ่งเป็นสมาทีแล้วที่นี่อยู่คนเดียวก็อยู่ได้เนี่ยเพราะอาศัยนั่นอยู่ทั้งวันอยู่ภาวนาพอจิตให้เข้าอาบนี้มันก็เข้าเลยแน่วเลยอย่างนั้นมีหลกักยิตอยู่นี่สมาธิเอาซิถึงขั้นที่ททได้ขนาดออก ถามเรื่อยะๆทีนี้ต้องหาจิตสงบดีเลยสงบดีก็วางอยู่เล ย, ล เ, ยเลยท่านก็เฉยๆเวลาท่านจะเอาแล้ว ก, ก็เปียกเลย <c oughs> ท่าจะนอนตายนั่นหรือหัวนู้นบัวท่างจะเอานะขึงขังกันหมดเลยนะทือนจะนอนตายนั่น เ, นนรนเนะหรนะื อ, ท, นอนทุกสูงในสมาธิเท่ากับเนื้อติดฟันท่านรู้ไหมฮะฮะนู่นนะบอว่าจะเอาความสูงในสมาธิน่ะเท่ากับเนื้อติดฟันน่ะ เป็นไงสุงขนาดไหนเงินติดฟันนะ่ะเห้อเห้ออย่างนั้นนะอ่ะโอบโหเวลาท่านจะเอาเล่นมา่อไห่ผมไม่ได้ลืมเนาะเพราท่านเอาอย่างหนัก เ, อ, เอาผมเพราเห็นมีสัยอย่างนี้เลยแมา้สมาธิตั้งแทงเป็นสมุทัยตั้งแทงท่านรู้ไหมนู่นน่ะเอาอีกนะนี่แหละตอนเถียงกันฮะสมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทตัวเป็นตัวสมุทัยตั้งแท่งท่านรู้ไหมนั่นน่ะ อันนี้ก็ขึ้นเหรอทีถ้าว่าสมาธิเป็นสมุทัยแล้วชมาสมาธิจะเดินที่ไหนว่ะชมาสมาธิของท่านมเนเป็นสมาธินอนตายอยู่เหมือนของท่านนี่นาดั่งที่นี้มันก็ยอมของอยางมันนอนตายอย่างนีง้นั่นท่านเอามาใส่เห็นไหมดังนั้นเราความเหนือกันมันเหนืออย่างนั้นแล้วหาของจริงอยู่แล้วมันทำไมจะไม่ลงที่เทียงก็คือเทียงหาเหตุหาผลใช่ไหมแล้วไม่ได้เสียดุจทีิมาหน้าที่จะต่อสู้กับท่านอย่างนั้นเราไม่มี นี่เราก็มีอันหนึ่งของเราที่มันมีมันมีเครื่องที่จะต่อรูปอยู่แตเราไม่ลงใจอย่างตรงนี้แล้วก็เอาออกสลอย่างที่ว่าสมาธิถ้าท่านไปพูดอย่างนั้นผมก็ไม่ลงใจใช่ไหมล่ะสมาสมาสมาธิท่านไม่ได้เป็นไม่ใช่สมาธินอนตายอย่างเหมือนของท่านนี่หนาว่านั่นนี่มันนอนตายนี่ท่านยังไม่รู้เหรอนั่นนะความจริงเวลาท่านเราจะแยกว่าพูดคือความติดในสมาธินั่นแหละมันเป็นสมุทัย อ่าเท่านั้นแหละแต่ถ้าจะพูดเพียงเท่านี้มันจะไม่ลงถึงใจเราคนจับยาใช่ไหมละ่ะถ้านิี้ยก อ, อกทั้งนี้ทุ่มตาเขาป่าหมดเลยให้หาใหม่ <c oughs> คนแบบนี้ว่างั้นเลยคุณถึงหงมโน่นเวลาผ่านมันต้องรู้ <c oughs> โมเวลามันออกมันก็ไม่พอดอนีนี่นี่ที่ว่าที่มันเป็นจะมาทีมันเป็นปัญญาเร็วเป็นยังไง ก็เพระสมาธิมันพร้อมแล้วก็เหมือนเจ้าอาหารที่จะเรามาปรุงเป็นอ า, อาหารนะ <_ appointment> เครื่องทําครัวมันหมดแล้วไม่ว่าผ <_' S 1> ักว่าพริกว่าปูว่าปลาว่าเนื้อว่าอะไรมันรวมตัวว่าหมดแล้วแต่เราไม่มาปรุงให้มันเป็นอาหารประเภทนั้นๆเท่านั้ น, น, น, นมันก็ไม่เป็นเนือผักเป็นผักเนื้อเป็นเนื้อปลาเป็นปลาอย่างนั้นเราไม่เมื่อเราไม่นํามาประกอบให้เป็นแกนชนิดใดมันก็ไม่สําเร็จขึ้นมาสุดท้ายนั่นกนัเน่าเฟะไปเฉยใช่ไหม แมันเป็นแกงเป็นไม่ได้ถ้าเราไม่เอามาประกอบนี่ก็เหมือนกันสมาธิก็เป็นสมาธิแต่ไม่เป็นปัญญาสิเมื่อเราม า, มาประกอบทางหน้าปรราัญญามันก็ผึ่งเลยเพราะมันพร้อมแล้วนี่เร็วนะผมพอออกท่านไล่อย่างนั้นออกทางหน้าปรราัญญาออกมันก็ผึ่งเลยก็มันพร้อมอยู่แล้วนี่แต่เราไม่รู้จักวิธีใช้เฉยเพราอท่านมาทางปัญญาท่านนี่ก็ออกพิจนาพิจนามันก็ผึ่งผึ่งเลยโอ้โหโถแล้นี่ สุดท้ายเขามาตำหนิเลย อ, อยหยุดสมาธิมันนอนตายเฉยเอาอีแล้วนะมันไม่พอดีนะผมปัญญาต่างหากเป็นเรื่องกู้คา่ากิเลส<ง>พอออกทางด้านปัญญานี้มันเห็นมันตัดตรงไหนขาดตรงไหนขาดมันรู้ที่จิตมันก็ยิ่งสว่างยิ่งจ้าขึ้นเจ้าขึ้นมันผิดกับสมาธิความสว่างของจิตที่เป็นปัญญากับความสว่างของจิตอยู่ในสมาธิมันผิดกันผิดกันมันก็รู้หัวโถนายหยุด สมาี่มันนอนตายถึงแม้ได้เยอแล้วเมื่อทีในเวลาออกทางวิญญาณมันก็จะเอาให้ตายเลยมันพอดีเลยเออพอนเวลาไปพูดกับท่านท่านนังใส่เอเียงนั่นะมันลงสังขารหนึ่ง น, นั่นท่านใส่ว้นันนะถ้าไม่พิจารณาก็ไม่รู้เลยนั่นะบ้าลงสังขารบ้าลงสังขารขึ้นเลยนะคาวนี้านี้นิ่ง น, นะไม่เถียงมันคงจะตูกอย่างที่ท่านว่าข้าสบาพี่แล้เอานืเ่ใจนะแต่แล้วมันก็เพราะความเพอนนะ ทางด้านปัญญามันก็ไปของมันจนเต็มเหนี่ยวมันจะตายจริงมันเพิ่งเข้าสมาธิเข้าสมาธิมันก็ไม่อยากเข้าน่ะมันอยากทำงานล้างเข้ามาแล้วเอาโม่ถุกท้านเลยเอาผมจะต้องต้บริกรรมนะบริกรรมพุทโธพุทโธเหมือนเราเพิ่งเพิขาดสมาธิที่แรกวกันคือมันไม่มันจะไม่อยู่ทั้งสมาธิเป็นแต่มันไม่สนใจกับสมาธิเพราะเห็นว่าสมาธิจะนอนตายเสียมากจะเอาทางด้านปัญญาโน่นมันหมุนตื่นๆโน่นใช้แล้วจะเด้ลากเข้ามา ท่านมาอยู่ในสมาธิบังคับไ ม, ไม่ให้มันออกโอ้หแต่บังคับยริงสุดท้ายก็เอาบริกรรมรพุโทโธพุทโธที่ยิบไม่ยอมให้ัออกคือมันออกมันจะออกไปทํางานนี่นะไม่ได้ออกไปเพื่อเพลินแบบโลกเดีวกับสารนะมันจะออกไปทำงานแก้กิเลสอันนี้นะออแบบนต่างหากนีนะมันออกของ น, นี้มันก็ฟัดกันดยู่ตรงนี้แลบบริเวณใจนี่แหละมันไม่ได้ออกไปนน้นนะมันออกยิบเป็นกิจยาของกิจที่ออกแสดงตัวเฉยทางด้านปัญญาบังคับไว้ไม่ออกแล้วก็ ครับ บ, รบังข่าวของกุศโลกุศลถียิบแล้วก็นี่มันรู้สึกว่าโอ้โหมันอพูดไม่ถูกนะมันเหมือ น, นกับก็อย่งพูดเราดึงจอมแหนแหละแล้วก็สงเข้ามาสงบเข้ามาสงบเข้าม า, า, ม า, า, มาแน่วแลวบังคับไว้ได้บังคับนะถึงสงบก็บังคับนะไม่ใช่สงบตายตัวอยู่เหมืนอนเดิมแต่ก่อนนะแต่ก่อนมสมวัตถีสงบเนี่ยสงบจริงๆ ไม่จะออกอยู่แล้วปกติมันยิ่งให้เข้ามันยิ่งสนุกอยู่ด้านเลยทีนี้เรื <c oughs> ปัญญามันเหนือกว่าที่มันจึงจะออกอยู่ตลอดออกทางด้านปัญญา <c oughs> ทีนี้พอจิตเข้าสงบแล้วแม้มันมันเอ้ยเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำนะความทุกข์ความทรมานทั้งหลายที่เหนื่อยเนื้เหนื่อยเมื่อยล้านะี่ยมันมีกําลังวังชาขึ้นมากระปี้กระเป่าขึ้นมาภายในหัวใจนี่ดีดผึงผึงอยู่ในเนี่ยโถนับบังคับไว้จนกระทั่งสมควรจัด ก, การแล้วถึง รามือถ้าพูดถึงว่ารามือพอ ร, รามืองนี่ก็ผึ่งเลยที่นี่เอากําลังวังชาออกจากสมาธิเหมือนกับว่าเราได้พักผ่อนนอนหลับแล้วรับทานอาหารแล้วประกอบการงานอันเก่านั่นแหละไม้กับไม้ท่อนเก่าแต่ฟันทีนี้มันขาดสะบั้นไปเลยหินมีก่ก็ได้รับหินแล้วปัญญาได้รับแล้วจากสมาธิผึ่งผึ่งเลยแต่ว่าความ มันรีบมันด่วนของมันนมันจึงไม่อยากพักกันมาดีเขาทำมันจะจะตายจริงมันไม่เข้านะตัวไม่เข้าที่ไรมันจะตายจริงมั น, นไม่เข้าไม่ ง, งั้นไม่เข้านี่ถึงเรื่องพูดถึงเรื่องว่าอุตทจจะอุทจจะในชโยดเบื้องบนคือความเพลินในการพิจนารณาเนี่ยมันจะเป็นอะไรไปไม่เหมือนอุทจจะภูจากรในนิวรันห้าซึ่งมีอยู่ในสามัญทั่วไปนะอันนิวรนะันห้าอุตสจจะภูจักรทั้งพกุกธช้างทั้งลำคาญนะั่น อันนี้มันฟุง้งที่ว่าฟุ้งมันเพลินลำคาญก็ลำลำคาญที่ว่ามันเหนื่อยมันเมื่อไรจะได้พักมันจะพักผ่อนดีนา่ากินก็ว่าพระบ้าวว่าอันหนึ่งมันไม่ว่าจริมันผึงผ่งผึงมันโดนนั่นมันเพลินวันนี้ถึงว่าอุทาจจะอ๋อเป็นอย่างนี้เองนี่ยคือความเพลินในการพิจารณาของตนเพลินในงานของตนนเรื่องอุทาจจะในเรื่งย่อเบื้องบน ไม่ว่าสังยมบนจะว่าอะไรมื่อมันถึงขั้นนั้นแล้วมันไม่ได้เอาอะไรมีไม่นามาทำล้วนๆปัญญามันรวดเร็วแข็งแก่งเลยเจียหมุนตีพอมันเลยจากนั้นแล้วมันละเอียดมันละเอียดปัญญานี่ละเอียดจร่ผมเคยพูดกันแล้ที่ว่า มหาปัญญานี้มันก็รู้อยู่แล้วเป็นมหาปัญญาในขั้นอันนี้มันก็รู้อยู่แล้วเป็นมหาปัญญาเต็มหัวใจมันรู้อยู่ใ้่ไหมแต่สงสัยนี่มันเพิ่มอะไรนั่นมันเป็นหลักธรรมชาติที่รู้อยู่ตลอดเวลาบางครั้ไม่บางครั้มันก็รู้อยู่นั่นเป็นอัตโนมัติเองที่นี้อันหนึ่งที่ละเอียดกันไปนั้นมันอะไรอีกล่ะนั่นสิมันเราไม่เคยเห็นอันนี้ก็ว่าเป็นมหาปัญญาแล้วหาที่มหาปัญญาแล้ว แล้วที่ละเอียดลงไปกว่า น, นั้นเป็นปัญญาที่เป็นน้ําจับน้ําซึมละเอียดซึ่งซึ่งไปโดยอัตโนมัติ น, น, น, นั่นก็ดีนี่มันอะไรอะไรพูดไม่ถูกครับผมทุกวันที่พูดไม่ถูกแต่ไม่มีที่ไปแล้วพูดไปดึงมหามาก็กินก้านของมหาสติมหาปัญญาสิไปดันเสียแ้วมันทำมันสนิทใจไม่สนิตนะกับความเป็นอนั้นนั่นมันละเอียดจริงๆ ละเอียดนั่นแหะที่มันมันทราบอะไรเรื่องของจิตเหตุละเอียดขนาดไหนมันตามทราบกันหมดนะคืออันนั้นเหะอบ้าสำคัญอนะ่ะนี่มันก็ไม่มีในตะำราไม่มีแม้จะหมายจะหละเรียนรู้กันไ ม, ไม่ไม่มีแต่มันเป็นในความจริงในความจริงมันมีอย่างนี้จะว่างนีง่แหละที่ว่าความจริงกับความจํามันต่างกันเรียนมาใช่ท่าพนพัฒนาไปหมดทุกเนี่ยทุกมุมจะพัฒนาได้ไงมันก็เหลือเฟือต่อความจดจําของผู้เรียนเลยทีของผู้ศึกษาที ปล่อยว่าเอ้าเมื่อจับตัวทางแล้วปลาทางมันจะถึงนันเองก็ว่างั้นเมื่อจับตัวนี้แล้วกิ่งก้านมันจะไปถึงกันเองกัความหมายก็ว่างั้นมันก็ว่าไว้แต่ส่วนใหญ่อย่างนี้มันเป็นสาขาออกไปละเอียดออกไปที่ว่ามันละเอียดละเอียกอย่างละเอียดแบบซึ่งซึ่ง มันทำก็ไม่เป็นการอานเลื่อมเหมือนเหมือนว่าเป็นญาณอันหนึ่งนั่นแต่นี้มันเราก็ไม่อยากพูดมันเป็นการอานเรื่อมไปถ้ามาหามาสกิดปัญญานี้เหมือนกับว่ามันอันนี้มันยังหยาบอ่นะนั่นถ้าไปอย่างนั้นไปเกี่ยวกับเรื่องว่ายญาณความอย่างทราบของปัญญาญาณอะไรไปอย่างนั้นมันมันเหมือนกับว่ามันจะสนิทใจแต่เราไม่อานเรื่อมไม่ค่อยพูดแล้วดังนี้เราอ่านรู้นี่สมมุติก็ต้องแยกไปเป็นสมมติ ใครเป็นก็ไปมันก็รู้เองไง ย, ยกไว้นั่นเสียใครเป็นแล้วมั่นรู้เองในี่ถึงได้กล้าพูดว่าเอานามัญญะปัญญาอ๋อเกิดเกิดอย่างนี้เองทำไมเกิดทำไมมันก็ข้ามไม่ถูกละอันนี้ยนอยากให้โมนุลดูได้เห็น มีจะพูดคนเดียวว่าโอ้เหมือนบ้านะเหมือนมาโกหเพื่อนเลนมาโมโหีมีเต็มอยู่ในหัวใจนีไม่รู้นหน้าโมโหแกุยเขียวขึ้นมาแล้วอะไรไม่ไม่คนรู้มันรู้ไปหมดนว่าไมันเหมือนก็บไปได้เชื้ออย่างพูดแต่ไม่ผิดถึงยังมันไม่หม้คอตามันก็รู้าอย่นี้มันจะไม่จนหมดอ่นนะ เรื่องปัญญาประเภทเหล่านี้เหมือนกันมันซึมสางเข้าไปเหมือนกับไฟล่ะลุกลามไปลุกลามไปนี่เชื่อมันละเอียดไฟก็ละเอียดไปตามกันนั้นเพื่อไฟมันเป็นมันยากมันก็ไม่เป็นอันยาบไปมันก็เป็นลักษณะหยาบพอละเอียดเข้าไปมันก็ไม่ละเอียดเข้าไปอย่างเดียวกันอ่าไม่งั้นมันก็ไม่ทันกันอันนี้ดูว่าโถ าขายของวิเศษนี้มันเป็น ข, น, ขนาดด้นเดียวนามันวางขายไว้เป็นเป็นระยะระยะถ้าเราจะเทียบนะขายยากขนาดไหนก็โง่สับติดทั้งนั้นแหละขายของวิเศษแล้วเป็นไม่รู้ล่ะคนของมันขายของมัน น, ะนี่จึงได้เห็นวางง่าโง่ถ้าไม่ใช่ปัญญาธรรมแล้วเรื่องของธรรมแล้วเข้าไปเข้าไปจับแล้วยังไงก็ไม่รู้ตายก็จมุนอยู่นี่กี่กับกีกันก็เอาเถอะ มันจะเป็นอยู่อย่างนี้เรื่อยเพราะมันเรื่องของความจริงมีในหัวใจนี่เอาอะไรมาพูดเวลาเนี้เอาความจริงมาพูดนี่ะอือตัวเกิดตัวตายมันมีอยู่ฝังอยู่ในหัวใจนั่นเห็นจะใช่หรือ่ถอนออกมาให้เห็นก็เห็นอยู่นี่จะว่าไงแล้วจะเอาอะไรมาโกหกพระเจ้าโกหกโลงเมื่อไหร่ภาษาวกท่านท่านผ่านนั้นนั่นผ่านอันนี้ไม่ผ่านนี้เป็นอาหานตไม่ได้แต่ว่างนี้เลยนะอืออันนี้ไม่ถอดพวกมาถูกถอนพวกออกมาแล้วจะเป็นมิสูตรที่บุคคลไม่ได้เลย เป็นวิสุทธิกิจไม่ได้นั่นพระนั่จึงต้องผ่านร้อยต้องร้อยพยายามมือมือแสนแสนนัล้ ล, ล้านผ่านทั้งนั้นไม่มีคํายเกเว้นแม้ใดเดียวอวิชชาปัญญาเนี่ย น, นี่แหละที่ว่าไขาขาสุดท้ายของยุเรศส่วนหยาบมันมันอยากบขนาดไหมันก็หลงพอใจทั้งนั้นเนี่ย ชี้ดูที่แต่อย่างโมโหอย่างโกรธอย่างนี้เอาที่มันละเอียดเมื่อไหร่โกรถ้าเขาโกรธเราโมโหเครียดเขาเอถ้าเราเครียดไเขาไม่ไม่ว่านี่ฟังซิเอาด้เป็นยังไงเขาโกรธเราเขาด่าเราไหมอย่าด่าแต่เราเราด่าเขาด่าได้เพรชอบด่าเขาดั้นเห็นไหมมันอยู่จังงั้นมันละเอียดขนาด เพียงจำอย่างนี้มันก็ไม่ทันไม่รู้ว่าความโกรธเป็นภัยมันอยากโกรธนั่นถ้ามัาเห็นว่าเป็นภัยมันจะอยากโกรธเลยถ้ามันเห็นจริงๆรู้จริงๆมันไม่อยากโกรธนี่นั่นเวลาทําจับเข้าไปแล้วอย่างนั้นน่ะมันเป็นภัยทันทีเลยเพราะแยบมาตัวนี้เป็นภัยก่อนแล้วก่อนที่จะไปถึงคนอื่นนะสมมติมว่ามันคิดจะไปงุนงงให้คนอื่นนี่มันแยบทาันทีมันรู้ว่าอันนี้เป็นภัยแล้วเนี่ยมันก็ระงับทันทีมันไม่ได้ทันไปถึงนะ มันยังไม่ไปถึงนะถ้าเมื er ่อไรจะถึงคนนั้นคนนั้นจะโกรธไอคนนั้นไม่พอใจไอคนนั้นเงี่ยพอไม่อไงวันี้มันรู้แล้วรู้ก่อนรู้ก่อนแล้วนั่นนั่นจึงเรียกว่ามันทันที่เห็นว่าเป็นไัยเป็นไัยเป็นภัย เ, นภ ย, เนภยเรืยเพราะฉะนั้นมันถึงฆ่ากันได้ถ้ามันเห็นอย่างนี้แล้วมันไม่ไม่คน้นอ่ะไม่ว่าะอะไรก็ว่าอ้ไหนึ่งจะต้องขาดสะบัน้นของประชาชได้ก็มันเห็นอยู่แล้วเป็นภผ่นอกจากวันไม่มาแสดงให้เห็นแล้วค้นหาอีือนนั่นลงมาแสดงเห็นแล้วอย่างนั้นมันก็ไม่ยังไงก็ไม่ปล่อยแล้ะเอากััันนนเเลลยยก แต่ก่อนเรามันก็ไม่รู้เขาโกรธเราไม่อยากใโกรธเขาด่าเราไม่อยากใด่าแต่เราพอใจโกรธเขาพอใจด่าเขานี่อยากขนาด น, นี้มันยังไม่รู้นี่เป็นขั้นเป็นขั้นน้าวางขายเลยนี่เลยนีวางขายมาแห้ๆที่ว่าอัศาจรรย์พหะพุทเจ้าอสวาวิวางไว้วางไว้วางขายเอา้จนกระทั่งถึงน้นจุดสุดยอดของขายมันคือวิชามันไปหลงได้นี่หนาโถ ลัทมีของวิชาไปยังไงตามหลงไปหมดแต่ตามหลงกับตามรู้ในปัญญาขั้นนั้นมันไปพร้อมกันนะไม่ใช่ว่าจะไปหลงอย่างเดียวเลยเนี่ทีว่ามันทันก็คือมันตามรู้นั่นเองมันทันอวิชาก็เป็นมันก็เป็นไล่กันนึงลัทธิมีของวิชามันก็มีของมันอีกนั่นอะแล้วอย่าลงไปขนาดไหนอีกนี่มันก็ไปหลงอ่ะ อาจารย์ผมเนจจี่ยอาจารย์พระพุทธเจ้าเหมือนพูดอย่างนี้กมเมันถ้ า, าว่าพูดเป็นสมมติเหมือนพระองค์ประทับนั่งต่ออยู่ต่อหน้าเราเนีเห็นหมาความว่าปณิพันธ์ผมมีแต่ร่างกายเฉยความจริงปณิพันธ์เป็นไหนนั่นสอนนั้นนี้มีแต่แต่ความจริงนั้นรู้แต่ความจริงแล้วมี การมีสถานที่เวลาที่ไหนจึงว่าอาการิโกอาการิโกะที่เห็นเข้าไปที่นั่นทำมาทั้งมาเป็นอาการดิโกะทำอะไรเป็นอาการโกนที่รู้ไปจักที่นี่คืออาการดิโกแท้เอ้าอย่างนั้นดิสมภารว่ามันยังไงสิเมื่อเห็นอาการดิโกนี้แล้วสงสัยพระพุทธเจ้าอะไรฮกี่มืองกี่แสนกี่ล้านผมไม่สงสัยเลยนะโอ้เป็นได้แต่จะรู้ได้แต่จะรู้ได้เลยแต่จะรู้เรื่อยมาตั้งแต่การใดๆจนก็ตทั่งปันนี้จะไม่มากยังไงพระพุทธเจ้าทางที่เจยรู้มีอยู่นี่ ท่านตาสะดุมไม่ได้ท่านมาเป็นครูสอนโลกเลท่านสอนโลกก็ได้เพราะอาาัลลัฮันซาโกท่านมีได้ยังไงนั่นเมื่อมีทางมีได้มันก็มีได้มีได้เรืยที่หนึ่งมีได้สองมีทํำไมมีไม่ได้วะเนี่ยความสิ่งที่จะพาให้มีให้เกิดได้มีอยู่อริยศาส์นั่นเป็นเครื่องประกันเป็นเครื่องกรองเหยวเมื่อเข้าถึงช่องนั้นแล้วยังไงก็ไม่อยู่ผ่านปงึงปึงเลยเดียวอริยศาส์นี่เป็นเครื่องกันกรองรอีก ที่ท่านสแสดงไว้อะไรเพราะนานแล้วผมกับจำหไำหมขอดาทำธรรมาภัยก็จำได้จเป็นลางๆอย่างที่สุภัสสาปริพาชกเท่าแก่ขึ้นมาทูลถามมหาวิเจ้าเวลาจะปริพันธ์ถามถึงเรื่องศาสนาต่างๆศาสนาไหนถูกศาสนาไหนผิดศาสนาด้วยจริงไม่จริงเลยเพราะมันมีมากต่อมากศาสนาถามทั้งโลกพวกครูทั้งหกค่ะอือทั้งหกด้วยนะ เนี่ยเราจะรูกพวกครูต้องโ ho กรู้แล้วนี่แลละทีนี้เวลาท่านสรุปเอาคือเวลาของเราต่างๆก็มีน้อยนั่นทะานบรรลุถึงเรื่องว่าสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามไม่มีในศาสนาอื่นมีมีในศาสนาศาสนาใดมีมรรคยกเก่ศาสนาจะมีสมณะที่หนที่สนั่นแหละนี่แหละที่ว่านท่านสรุปมามีมรรคแต่สมถะทึงที่สองาจะมีใช่ไหมเรา นีท่านสรุปต่ออย่าถามเราไปมากเราเวลาเรามีน้อยเราจะสรุปลงมาให้งนั้นก็สรุปลงมาแล้วก็คือว่าศาสนาได้บินมากนะศา ส, สนานั้นแหละมีสมณะที่งที่สองทีสามก็คือวมีผลง่ายนะเต็มเต็มเบสเต็มหน่วยเลยนั่นท่านย่อนออกมาเห็นไหมนี่แหละอริยสัจจึงว่าเป็นทำทำจําเป็นอย่างยิ่งแก่นของศาสนาคืออ ร, ริยสัจถ้าอาริยสัจถูกตัดออกแล้วเสร็จเลยอย่างที่ว่า ภาวนามายปัญญาเนี่ยผมยัง ว, วิโตวิจารกลัวจะต้องาดแผลปัจจุบันมันจะมาตัดออกถือว่หาวาเอาเวลาเมญะปัญญานี้เป็นปัญญาการฝากไปเล่ทอืงทั้งที่ภาวนาเมญปัญญานี่คือยอดอริยสั์นะฝ่ายมักว่าไงยอดอริยสัจฝ่ายมักที่จะสังหารอวิชชาจะเป็นตัวไหนจะสังหารถ้าไม่ใช่เป็นปัญญาประเภทนี้ เปทหารได้ง่ายด้วอวิชชานั่นแล้วลงตัดเนี้ยเไปแล้วก็หมดอวิชชาหัวเลาะแกรดๆเลยฟันหักดีไม่ดีเอ่อภาวนาญาปัญญาเป็นยอดเดียยอดของปัญญายอดของศาสตร์ลาวุฒพังกิเลสทั้งมวลลงคืออวิชชาเป็นสําคัญได้ไว้สงสัย เนี่ยที่ว่าพรุเจ้ากุบัดขึ้นมาจีดเหมือนจีแสงกีล้านองค์ผมไม่ได้สงสัยเลยเพราะทามีได้แล้วมีมาเท่าไหร่โลกวนี้มีมานานเท่าไหร่ฟังสิใครไป น, บบนับการนับกันของโลกนี้ได้ครับของโลกสมมุติอันนี้มีมาเท่าไหรพระพุทธเจ้าก็มีมาอยู่เรื่อยๆตลอดเนี้ยังจะมีไปอีก่ข้างหน้าหนึ่งวันนี้หนึ่งวันพุ่งนี้สองมันก็เป็นสองแล้วได้เนี่ย ถึงจะ ช, ช้าก็ได้หนึ่งสองสามในขณนะนี้ไม่ได้หนึ่งวันนี้สองวันพรุ่งนี้มันก็เป็นสองได้ไม่ ว, วันมัลืนอีกก็สามอยู่แล้วนั่นว่าไงช้าไดเรื่อยมันก็มีอยู่เรื่อยๆอย่างนี้แล้วนานแต่นานแสนนานเข้าไปมันก็มากเข้ามากเข้าโอเคนี่อัศาจรรย์จริงๆนะเรื่องธรรมพุทธเจ้านี่ย เ, เข้าสู่ใจจะให้เข้าใจเป็นผู้รับทราบทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเปิดออกแล้วมัน มันไม่อยู่ในความคาดความเดาเปิดดูแล้วมันเป็นความจริงล้วนควรจะรู้เห็นสิ่งใดไม่ปิดมาอยู่นี่ที่สำคัญพอเปิดตัวเองออกแล้วเป็นอิสระเต็มที่แล้วไม่มีอะไรมาปิดมาบางังก็รู้ได้เลยมันสำคัญพวกเรามราจะภาวนาเรา ออจะตายเพราะปีบังใี่ความขี้เกียจขี้ค้านความท้อแท้อดแอมาปิดปาปิดมาจิตมากันแล้วก้าวไม่ออกก้าวออกตายอยู่กับวันนี้ตื่นขึ้นมาวันหลังอันยังเป็นบ้ากับวันวันหลังอีกวันหลังกับแจ้งมือดอัเดียวกันเนี่มาเป็นบ้ากับมืดกับแจ้งอีกเป็นบ้ากับเดือนนั้นปีนี้เองแล้วเป็นบ้ามันไม่อยู่จนกระทั่งเป็นบ้าจกระทั่งถึงวันตายบ้าไม่เลิกก็คือพวกมนุษย์เรานี่ตื่นมืดตื่นแจ้ง ต ด, ดินฟ้าอากาศตื่นอยู่งั้นตื่นไม่วันถอยนีก่ก็กำลังปีใหม่นี่ที่ตื่นปีใหม่นั่นะกำลังไปเป็นบ้าปีใหม่ชักปีใหม่อะไรก็มีแต่เมือยกับแก้งแล้นั้นคนก็คนเก่าหัวใจอันเก่าอะไรอะไรก็อันเก่าปีใหม่ก็มีแต่มืมอยกับแก้งอันเก่าแล้วมันได้ใหม่มาจากไหนพิจารณาลงในธรรมแล้วมันจะตื่นร้ายมันเห็นอย่างนั้นที่เห็นธรรมรู้ธรรมรู้อย่างนั้นคือดูความจริง แม่ตื่นตื่นอะไรก็มือกับแจ้งมันเคยมีมากี่กับกี่การแล้วตื่นมันหาอะไรเนี่ยเดือนปีก็ตั้งแล้วตั้งมาตั้งกี่กกี่การแล้วตื่นมาอะไรแล้วเคยเกิดเคยตายมาไม่รู้กี่พวกรูชาติแม่ในปัจจุบันนี้ก่อนมือเกับแจ้ง ม, มีมานานเท่าไหร่เรานับได้ไหมล่ะในชาปัจจุบันนี้ก็นับไม่ได้นะ่ะแล้วตื่นหาอะไรอีกมันนานมันมากกว่ามากขนาดนั้นแล้วเคยสัมผัสสัมพังี่ตลอดเวลาไม่ใช่ตื่นอะไรอะ่รนะพอ เอาโอเคนี่ oh, okay.